นจะไหวทางกันอะะหัสมมาสมบุโภพควพโทธังภาควันตังอะิวาเจีสวากาโตภาควาตาธรโมธรรมานุสสสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโขสามนมา อันธมายังพุทธาภาคาวัตโตปุพพะขันธ์มะารังเกโรมาเสนโมตัสสะภาควตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภาควตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา นาโม ต, าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเตสเดี๋ไปที่นาที่เก้านะนาที่เก้าขึ้นปฏิกูลมรติการบอกในข้อที่ร้อยสามสิบหกในครั้งที่แล้วก็ ก็ได้พูดไปแล้วก็ได้ขยายความไปนี่มาทบทวนอีกครั้งนะในหน้าที่9้าเนี่ยในสติปัฏฐานสุขในข้อที่316รบพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูตามไปด้วยนะอีประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาหินกายนี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี่คือผมขนเลบฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทังถื่ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดหนองเลือดเหงือมันค้นน้ำตาเปเรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดไถ้มีปากสองางเต็มไปด้วยธรญชาตินาน า, นาชนิดคือข้าวสารีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีในตาดี แก้ไท่นั้นแล้วก็พื้นเห็นได้ว่านี่ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถัวเหลืองนี่งา น, นี้ข้าวสารในชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปนีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับ ทั้งผืมมอดม้าปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีสเสลต์นองเลือดเหนือมันข้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดด้วยประการหนึ่งพันธนาภาชนะนี้พิจิตรย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภ า, ายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นธรรมด้วยความเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นธรรมดยความเสื่อมในกายบ้างเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอยู่ อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยะระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนพิจูตทั้งหลายแนมะ้อย่างนี้พิจูตชื่อว่าพิจรารณาเหน็นกายในกายอยู่จบปฏิกูลมนาสิการบอกอันนี้ในพุทธพจน์อย่างนี้นะอะทีนี้เราก็ไปดูในภาคของอัตถกถาอัตถกถาของปฏิกูลมนาสิการบนะนะับนั้นเนี่ยต้องไปเปิดดูนะ หน้าที่ห้าสิบสามจริงๆพวกเราน่าที่ํานานกันแล้วห้าสิบสามทีนี้อัตระถาปฏิกูลมนติการบัพก็คือการพิจารณากราชกายนะโดยความเป็นของปฏิกูลพราะพุทธเจ้าตรัสว่าทรงจําแนกกายานุปัสนาด้วยอำนาจแห่งสมปชัญญาสี่ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือจําแนกศาสกาสมชัญญะสปายะสมชัญญาโคจระสมบัญญาและสามโมหะสมชัญญาใช่ไหม พระองค์ทรงจำแนกสัมปชัญญะทั้งสี่ประการนั้นเบ็ดเสร็จแล้วในสัมปชัญญะบัพต่อไปก็คือเป็นการศึกษาในปฏิกูลมนุิยการบัพก็คือไปศึกษาในเรื่องของที่พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายอีกประการหนึ่งน่ิสูกน์ย่อมพิจารณาเห็นกายนี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องบนเนี่ยเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาใช่ไหมเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปนี่หนังหุ้มอยู่ในรอบเต็มไปได้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็คือ เต็มไปได้ผมขนแล็ฟันหนังมองเห็นไหมผมขนแล็บฟันหนังพูดเร็วๆนี่ไม่ทนันทนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมมีพระองค์แสดงเร็วเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดร้อยยี่สิบแปดคำวันยมสมัยบางทีไปฟังพระท่านสายตาปฏิโมโอฟฟังไม่ทันเลยแต่ที่จริงเป็นอัจฉริยนะคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่แสดงไวเร็วแต่ชัดแลเพรอะ ในคนที่เขาเขาบอกกรรมนี่นะกรมกรมพระพุทธเจ้าได้ฐานะคือได้ก็ะชิวหานี่อ่อนยาวแล้วก็พรชิวหานี่ใหญ่ยาวแล้วก็พูดเร็วมากแล้วฟังก็เพลาะเสียงอย่างเสียงนกกละเร้ายิ่งกว่านกกระเว้าเองนะเอ๊ะทำไมพระเจ้าจึงได้ฐานะตรงนั้นวะในอดีตชาตินี่นะที่พระองค์สั่งสมบารมีนั้นพระพุทธเจา้าไม่เก่าวเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พู ด, พดเท็จจริในกรรมตรเนี้งั้นถ้าใครอยากจะมีฐานะนี้ก็แน่แหะ วาจาข้าพเจ้าจัดสมาทานในสัมมาวาจาใช่ไหมจะกล่าววาจาที่เว้นจากวาจีทุจริตสีอย่งงดเว้นน่ะงดเว้นจากการากล่าววาจางดเว้นจากนั้นด้วยกรรมันนั้นแล้วพระองค์ยิ่งได้ฐานะอนนั้นไม่พูดเท็จไม่พูดสอบเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเสืเอ้อเชื้อก็พูดแต่คาดีคำเพราะคาสมัครสมานสมามัคคีพูดให้คนรักกันพูดให้คนปองดองกันพูดให้คนมี จะพูดแต่ครั้งก็พูดเรืเพราะพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าผงคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายหัวใจตับพังฝืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดินสเลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อแล้วก็พูดนะแล้วก็ในที่นี้ท่านก็ขยายขยายบอกว่าคําใดที่จะกล่าวในคําว่าอิบมาเมวากายังเป็นต้นคำนังทั้งหมดได้กล่าวไว้แล้วในกายยังสกายยกระดาสติในคภพิ้วิสุธิมารในเนี่ย ยังไม่ได้ไปถ่ายกันใช่ไหมที่วันนั้นให้พร่ยอไปยังไม่ได้ถ่ายแจกมนาะไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวขยายความให้ฟังนะคือในครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของวิธีการเบ็ดเสร็จแล้วพูดในเรื่องของการว่าการพิจารณากายคตาสติเนี่ยคือการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็ยกนกระดูกเป็นต้นตรงเนี้ยนะพระพุทธองค์ทรงอุปมาว่าไถ ท, ที่มีปากมีปากสองข้างก็คือถุงนะ ถุงที่ปิดหัวปิดท้ายมีเชือกมัดของโบราณเขา mm hmm. เรียกไท่เข้าใจง่ายๆก็เห็นใช่ไหมเขาเรียกไทนะ่เ mm hmm. นี่ยแน่แหละเขามัดหัวมาท้ายเนี่ยนะ mm hmm. แล้วก็จะใส่อะไรข้างในใส่ถั่วเขียวงาบ้าง mm hmm. ข้าวสารบ้างเนะี้่ยใส่ข้าเปลือกพิทเทอร์เหล่านี้เขาจะใส่ mm hmm. เข้าไว้นั้นพอเปิดดูข้างในเนี่ยมันก็จะมีถั่วเขียว ม, มีงามีอะไรต่างเนี่ย mm hmm. พระ อ, องค์ก็ทรงอุปมาบอกว่าไท่ที่มีปากสองข้างเต็มไปด้วยชาตินะเอ่า mm hmm. นจะชาตินานาชนิด ในไทยนั้นก็จะต้องมีข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวแล้วก็งาข้าวสารบุรุษผู้มีในตาดีแก้ไถยออกมาก็าเห็นว่านี้ข้าวสาลีนะนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี่งานีน้ข้าวสารแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นไปเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงมามีหนังมุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเต็มไปด้วยอะไร พอเปิดเข้าไปดูแล้วถ้าหากว่าคนมีปัญญาพิจารณาเขาไปเห็นในกายนี้ก็เห็นอะไรเห็นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเห็นไหเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผือตอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจริงๆท่านเพิ่มมันสมองด้วยดีสเสลต์หนองเลือดเนื้อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้าลายน้ามูกไขข้อแล้วก็มูดนั่น า, ากว่าพิจารณาแก้ดูแล้วก็จะเห็นแบบเนี้ย ในข้าราชะกายของเราก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีการต่างๆแบบนี้ถามว่าท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรทําไมต้องเอามาวิจัยให้มาคิดพิจารณาอย่างนี้นจะเป็นหมอกันเลยอเปนี้ไม่ใช่เรียนแบบหมอเรียนเนื้อขั้นให้ทําปริญญาในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นหรือเบื้องต้นก็คือทาํายากับปริญญาเนี่ยกำหนดรู้ว่านี้ผมนี่ขน นี่ลบมีฟันมีหนังนี่เนื้อนี่เอ็นนี่กระดูกนี่เยื่อในกระดูกมี่ไตนีหัวใจมีตับมี่ฟังผื่นี่ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีมันสมองดีเสลนองเลือดเหนือมันคข้นน้ำตาเปลิวมันน้ำลายเป็นต้นเนี่ยนะเอามาวิจัยเออทำไมทำไมต้องให้สาธยายอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นว่าเพราะแต่ก่อนเราก็ดูดูเดโดยวบทยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมขี้เหยียดก็เหนยเป็นต้นเนี่ยไปพิจารณาส่วประชาญนยบอก นั่นก็ยังเห็นกายนี่งามอยู่ใช่ไหมแสดงว่าอย่างเราต้องพิจารณาแบบละเอียดแล้วท่านก็สอนแบบละเอียดเลยนะเนี่ยเอาผมมาวิจัยเอาขนมาวิจัยเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอ็นเอาก็ดูกเอาเยื่อในกระดูกเลยเอามาวิจัยกันเลยมามาไข้ควงมาพิจารณาทีนี้ในครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของหลักการพิจารณาใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่ว่ามานุิยการเนี่ยหลักการในการมนุษย์การเนี่ ย, าาาายว่าเออ ไอ้มนัิการโกศลโกสลละเนี่ยสิประการเนี่ยมนัสการโดยโดยลําดับโดยไม่เร่งนักโดยไม่ชักช้านัดโดยป้องกันความพุ่งสร้างโดยร่วงเสียซึ่งบัญญัติโดยปล่อยไปตามลําดับโดยอปนาโดยสุตันตะมีอาทิย์จิตสูตรสีตีภาวสูตรแล้วก็โพชังคะโกศรสูตรครั้งที่แล้วก็ยกระสูตรมาใช่ไหมที่บอกพิจารณาโดยโดยลําดับก็คือว่าเวลาสาธยายเนี่ย ท่านให้สาธยาเป็นไปตามลําดับอย่าโดดข้ามสมมุติว่าเอ้าเราเนี่ยเออิจารณาแล้วยี่ยอย่างเรานี่เหมาะแล้วควรที่จะเอาเนี่ยมาสาธยายเนาะสาธยายก็คือเอาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอย่าไปโดดข้ามผมขนเล็บเนี่ยเราผมเล็บเนี่ยโดดข้ามไหมใช่ไหมผมแล้วก็มาขนแล้วก็มาเล็บมาฟันหนังเนี่ยเราผมเล็บหนังอย่าโดดข้ามท่านบอกว่าให้ไม่ให้โดดข้ามแบบนี้ เวลาสาธยายสาธยาเป็นไปตามลําดับไม่ใหม่ก็อาจจะช้าหน่อยนาะบางทีจะจำไม่ได้ใช่ไหมปากต้องผมผมผมไม่ใจไปคิดถึงใครก็ไม่รู้อย่างนี้เวลาเขาบอกวันก่อนนี่นะท่านบอกว่าต้องมีมีมีมีพระเถลารูปหนึ่งนะท่านชื่ออาจารย์แลดีหมหาเถลาร์เป็นชาวพม่าท่านเขียนหนังสือพระท่านไปอยู่ที่พม่าท่านก็แปลออกมาแปลแบบเสร็จท่านก็ส่งมาถวายบอกอาจารย์ที่ตรวจสอบหน่อย ช่วยทานให้หน่อยเพางั้นนะว่าสำนวนก็ดีภาษาก็ดีใช้ได้ไหมถ้าให้ให้มาตรวจให้ที่ก็กำลังตรวจแล้วท่านอุปมาดีนะท่านบอกว่าท่านพูดถึงว่าคนเนี่ยท่านอุปมามนุษย์เนี่ยเหมือนพุทุชนน่ยมันเหมือนคนบ้าที่จริงมีพุทธพจน์อยู่นะพุทธชนโอมาตะโกวิยาพุทุชนเน่ยเหมือนคนบ้าแต่ถ้าใครมาพูดว่าเราบ้าเนี่ยเราไม่ยอมนะใช่ไหมใช่เอาอยู่ามาชี้หน้ามีบ้าะอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ยอม แต่ลองเึนี้นะข้าก็ยกตัวอย่างว่าคือลักษณะของคนบ้านเนี่ยไอคนที่เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าโรคอะไรนะั่นโรคเหมือนเหมือนโรคมีซ่านโรคอะไรอย่างที่ข้ายกตัวอย่างหรือโรคบ้านคนบ้านเนี่ยคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยจะให้ทําอะไรหรือจะให้คิดอะไรต่า ง, างเขาเขาคิดอะไรไม่รู้เรื่องเลย ทีนี้เราก็มาคิดดูผู้ดูชนอย่างหลายๆค น, นเวลาสาธยายเช่นปากเราสวดอิติปิโสปตะวาอะระหังสัม ม, า, ม า, า, าสัมบูทวิชาเจรนะสปโนปากสวดได้แต่ใจไม่ไปคือเป็นสวดสะท่องกับปากให้ ไ, ได้ปากแค่นั้นใจคิดเรื่องอื่นอใจไม่ตามอ่ะไม่ได้ปากอย่างเมื่อนเราท่องกันผมขนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกปากก็ท่องไปแต่ใจไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรือคมจิตไม่ได้ ทำถ้าจะคิดคิดในเรื่องนี้นะจะให้คิดเป็นไปตามลําดับมันไม่ไปมันก็ไปเรื่องอื่นเป็นบ่อยไหมไอ้ปากก็ไปอย่างนี้นแหละบางทีกําลังพูดกําลังคุยกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยใจมันไปเรื่องเลยนะเขาบอกล่างหะคนบ้ามันจะเป็นแบบนี้ก็ถ้าถ้าถ้าคนบ้ามากๆเลยเนี่ยแต่ว่าคุมอะไรไม่ได้เลยแต่ของเรามันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกเราก็บ้าแต่มันบ้าอยู่ระดับใกล้ๆกันเราเลยเรียกว่าเราคนดีก็ อีแล้วเชื่อไมเนี่คนบ้าที่มันอยู่เป็นมากๆลองไปถามที่นี่ว่าพวกเราบ้านเนะยอ้มาเคยไปไปคุยกับเขามาแล้วที่โรงพยาบาลในที่ที่ศรีธัญญาไอ้ที่ตรงในตอนนี้เขาไม่เรียกศรีธัญญาเขาเรียกอะไรเนี่ยโรงพยาบาลีอสมเด็จเจ้าพญาอะไรนั่นแหละสมัยก่อนเขาเรียกปากกองสารเพราะเรามีคนรู้จากกันเข้าไปสุขขังไว้ตรงนั้นเลยไปหยิบไปถึงว่าเขาบอก เขาไปนั่งคุยกับเขาสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเขาบอกเนี่ยไอที่เดินเดินกันเนี่ยบ้าหมดแล้วก็าทีพวกเขาที่อยู่เนี่ยเขาไม่บ้าไอเรามานั่งนึกเออถ้าพวกเขามีมากกว่าเราเราจะกลายเป็นคนบ้าทันทีเลเพราะเออเรายังมีมากกว่าเขาสรุปแล้วคือทั้งคู่บอกโอ้เป็นอย่างนี้เองงั้ปุถุชนคือคนบ้าคนบ้า ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดีดีนี่แหะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ยังไงเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ร้องไห้กันเสรแล้วอ่เดี๋ยวก็หัวร้อนเสแล้วฉะนั้นที่บอกว่าท่านให้บอกว่าให้พิจารณาเป็นไปตามลําดับประการต่อมาคือไม่เร่งนะักไม่เร่งนะักแต่พอถ้าเร่งจนเกินไปเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะทําให้พิจารณาไม่ทันแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปจะ ใ, ใครเปิดไมค์กันตัวก่อนแล้วก็มนัสสิกานไม่เร่งนักไม่ช้านักเป็นต้นแล้วก็มนัสสิกานโดยป้องกันความฟุ้งซ่านตรงนี้สําคัญมาก คือการปล่อยจิตการที่จิตปล่อยกรรมฐานเสียแล้วแล้วก็ฟุ้งไปในอารมณ์หลากหลายเนี่ยในภายนอกนั้นเน่ะไอ้ตรงเนี้มันเหมือนคนบ้าที่พูดเนี่ยคือปากเราก็สาธยายไปเถอะใช่ไหมผมขนเล็บปันหนังผมขนเล็บปันหนังผมขนเล็บปันหนังแล้วเป็นยัง่งเนี่ยมันไปแต่ปากอ่ะหรือบางทีเราคิดเราตรื่นไปผมขนเล็บฟันหนังเดี๋ยวเราไปคิดเรื่องอื่นเช่เราไปมองแค่ผม มันไปก็อะไเรื่องเลยนะเนี่ยมันฟุง้งไอ้ปากก็พูดใจก็ฟุ้งอย่างเงี้ยก็เปรียบเสมือนบุรุษผู้ดเดินทางเปรียบเหวเนี่ยที่เป็นทางเดียวที่จะบอกยกตัวอย่างก็แคนะ่คือทางนั้นมันหมิ่นแล้วมันชันมากเวลาจะวางเท้าลงเนี่ยมันวางได้เท้านึงมันก็หมิ่นพอดีแล้ว ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยมัวจะไปนสนใจแต่เรื่องอื่นไม่สนใจกับการวางเท้าใหพ้พอดีพอดีแล้วก็ระวังทรงตัวให้ดีเนี่ยมันจะตกเหี่ยวตายการจเจริญกรรมฐานที่ไปไม่รอดเพราะแบบเนี้ยเพราะเราไม่ใค่ควรเป็นไปไม่ใคร่ควรแล้วไม่ใส่ใจไม่มาดําิการใ ห, ให้ให้ให้ตั้งมั่นสติสัมปชัญญะและความเพียรต่างๆมันไม่จดจ่อในขณะทําใช่ไหมมัวไปใส่ใจเรื่องอื่นอย่าเช่นเรื่องมันฟุ้งก็จะต้องตก ลงไปในเหวที่ลึกฉะนั้นเลยนะเพราะเหตุนั้นพระโยคะวจรูร้ผู้ปฏิบัตินะี่ยจึงควรมานาจิการโดยความป้องกันความพุ่งซ่านด้วยประการต่อมาก็คือว่าพิจารณาผมขนเล็บเกสรโรมาเป็นต้นหรือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ยให้พิจารณาให้เห็นด้วยความเป็นของปฏิปุณให้เห็นด้วยความเป็นของไม่งามเพื่อจะก้าวล่วงบัญญตัติแล้วก็ประการต่อมาที่พูดไปก็คือว่า มันสามสิบสองที่ตากระดมาเหมือนกับต้นตาลสาสิบสองต้นแล้วลิงกระโดดที่เนี่ยไหมพอจะจําได้ใช่ไหมนั่นแหละก็ไล่เป็นไปตามลําดับแล้วในที่สุดจริงๆก็คือว่าเวลาเราไล่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกวิตต้อนเหล่านี้นะที่จริงเขาทํำยังไงอนุโลมห้าปฏิโลมห้าในอันแรกเป็นต้นไปตามลําดับอย่างที่บอกแล้วก็ไล่ไปตามลาดับจนในที่สุดจริงๆพอไล่ไล่ไล่ไปเนี่ยนะเข้ามันจะปล่อยไปเรื่อยใช่ไหมเหมือนลิงเลยนะย้อนสมา มันโดดไปตามต้นการสามจุดสองต้นเนี่ยโดดปุ๊บปุ๊บ๊บไปเนี่ยข้ามันเหนื่อยเหนื่อยเข้ามันโดดไม่ถึงสามจุดสองแล้วมันไปจะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยแล้ก็ทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วจิตของเราก็เหมือนกันในการที่เราบริกรรมไปเนี่ยนะข้าวนะข้ามันจะเหลือน้อยลงน้อยลงนะข้าวก็จะเหลืออันใดอันนึ่ก็อันนั้นอหลรจะเป็นปัจจัยแก่อภินาได้แต่ระดับพระพุทธเจ้าก็ดีภาษาลิบทหรือพระโมคคัลลาน่าเป็นต้นเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึง แต่ภาษาวกที่บัเป็นบารมีประเภทแสนกับหมื่นกับอนะไรอเงี้ยหลายพันกับเนี่ยเขาชํานาญมากท่านชํานาญมากคือท่านเอาผมมาพิจารณาท่านการะทาอัปนาให้เกิดได้ทาําฌานนะจิตให้เกิดได้ไดประผสมวิชาชนทุติยชาติเป็นต้นได้เนะแต่ถ้า ห, าหมายความว่าถ้าได้ผสมวาชาชั้นพิจารณาโดยความเป็นของปฏิปุณนะถ้าพิจารณาโดยสีท่านจะวิ่งพวดขึ้นจะตุติยชาตนั่นดีเลย ทนะ่านจะได้ถึงฌานที่สี่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็แล้วแต่เป็นความชํานาญของท่านและทุโกฏถาสะสามารถเป็นที่ตั้งของอัปนาจิตได้หมดเลยแต่ถ้าอย่างเร า, ราเนี่ยสามสิบสองโกฏถาศาสัเนี่ยบางทีไม่เป็ น, ปนจิตอบนาไม่สามารถจะเป็นปัจจัยแก่สมาธิได้เลยก็จะอย่างสามสิบสองเนี่ยนะให้ควรไปใคห้ควรมาไม่ได้เลยนะน่าช็อกใจเหมือนกันนะนะ เขาไม่ได้เจ้าเอ้าคุณ 3, อนนเอาไปสามสิสองอันเนี่ยเอาไปทายดูดิอันไหนที่มันจะประทับใจแล้เป็นปัจจัยแกสมาธิระดับสูงได้เมาไปล่จริงๆถ้าสมาัยก่อนเนี่ยเขาถ้าทดลองว่าเรามีอัตยาสัยหรือไม่มีอัตยศอัตยาสัยเนี่ยทําแบบจริงจจังๆในสี่เดือนทําบเลยสี่เดือนเอ้สี่เดือนนี่กี่วันประมาณร้อยี่สิบวันใช่ไหมร้อยยี่สิบวันกี่ชั่วโมงเอายี่บสี่ไปคูณเข้าไปนั่นแหละ ทำปรเภทที่เว้นหลับเลยนะหลับเสร็จตื่นขึ้นมาก็มาไข้ชวนทำเรื่อยๆถ้าสี่เดือนเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยภาพเสือกลับได้แต่ถ้ า, ากว่าแต่เสื้ยเออถึงไม่ได้ก็จะต้องจะต้องมีอธัธยาศัยอย่างแรงกล้าที่ทิ้งสี่เดือนนี่ไม่นานน้องชีวิตที่เราผ่านมามันเกินสี่เดือนแล้วนเนี่ยจำเนี่ยลองทนลองสี่เดือนเมื่อกี้บอกปลาสี่เดือนใครเป็นข้าราชการมาขอลาสี่เดือน ลาปฏิบัติทำอย่างนี้ค่ะใช่ไหมค่้ร้องลาสี่เดืนอนคนลาเสร็จเสร็จอล็ลองค่ายควสศึก้ายเดียนะบอกอันนี้แหละจะมนุสยการปฏิกูลมนุษ ก, การบอบนี้แหละถ้าใครมีภรรยาก็ลาภรรยาถ้ามีสามีก็ลาสามีบอกขอพักสี่เดือนจะลองลองค่ายควรกรรมฐานมีโอกาสได้ใช่ไหมในรอบสี่เดือนนี้ได้ แล้วสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่อปภรนาได้และครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของสุดตันตะในระสูตรสสูตรเนาะในสีติสูตรในทีิกิตตสูตรสีติภาวสูตรแล้วก็โพชังคะโสารสูตรในทิ่กิตสูตรที่บอกว่าดูกรทิศสูตรทั้งหลายทิกสูตรประกอบไปด้วยสมาธิจิตต้องมานาจิการถถนิมีสาประการไงต้องมานาจิการสมาธินิมิตตามการอันควรต้องมานาจิการปักขา่าิมิตตามการอันควรต้องมานาจิการอุเบกขาทีมิตตามการอันควร ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุประกอบอธิจิตพึงมานาจิการสมาธิโดยส่วนเดียวแล้วไซยย่อมเป็นไปที่จิตของเธอนั้นจะเป็นผู้มีโกงก็ตกไปข้างโกศะถ้าภิกษุประกอบอธิจิตพึงมานาจิการปาาัจขาหนนิมิตโดยส่วนเดียวแล้วจิตก็อย่าฟุ้งซ่านเนะืถ้าภิกษุประกอบด้วยอุเบขานีิมิตโดยส่วนเดียวย่อมเป็นได้ที่จิตของเธอจะไม่ตั้งมัน่นถูกทางเพื่อความสิ้นไปของกา마สวะวิชนแล้ว ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะว่าถ้าสมาธิเกิดโดยส่วนเดียวเนี่ยโกศชาจะเกิดถ้าลองนั่งนั่งกันอยู่นี่นะลองแกล้งทำจิตนิ่งๆแล้วไม่ค่อยคิดอะไรพวกนี้จะหลับง่ายคนบางคนที่บอกว่าไอ้โ ย, ยมไม่รู้เป็นไรว่านั่งปุ๊บแล้วหลับอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมสมาธิอย่างเดียวแล้วไม่คิดอะไรพวกสมาธิมากๆไม่เคยคิดอะไรหรอกแต่จะม่วงโกศชามันจะเข้าข้อบงําง่ายพวกอุทธจารมากเนี่ยไอ้พวกเพียนมากๆมันจะเพียนมันจะฟุ๊ก ใช่ไหมงั้นถ้าหากว่ามานัติการไปในสมาธินิมิตโดยส่วนเดียวนะไม่ได้เอาธรรมะอย่างอื่นเข้ามาปรุงแต่งนี่นะไมนจะหลับใครอยากหลับง่ายไม่ยากเลยทําให้คือให้คือเพ่งไปที่สมาธินิมิตอย่างเดียวเลยอย่าไปใส่ใจเรื่องอื่นนะให้จิตจดจ่อไม่คิดอะไรเนี่ยดิ่งในลมเดียวแป๊บเดียวก็ไปแล้วก็หลับแล้วแต่ถ้าไม่ต้องการหลับนะก็นู่นน่ะปักทหารนิมิตเพียนอย่างเดียวเพียนเพ่งไปที่ความเพียนอย่างเดียว เพียนตั้งจิตเพียนนู่นเพียยเนี่เราคิดตึกเพียนไปเรื่อยๆฟุ้งเลยตนนี้เพราฟุ้งแล้วไม่หลับแล้วตอนนี้ยใหญ่แลยหรือถ้าหากว่ามันอนั้นการไปที่อยู่เบกขาที่นี่คือการวางเฉยนี่นะวางเฉยนะไม่กระตือรือร้นไม่น้อมไปที่จะล่ากลางมาเพราว่ามันมีมันสุกสุกแล้วสบายใจแล้วไม่คิดอะไรมากแล้วมันวางก็ได้อาลูกลูกจะเจ็บจะป่วยทำไม่ด้วางเฉยได้หมดเนี่ยนะอะเขาจะทําดีทําชั่วอะไรต่าง่าเฉยอย่างเงี้ย ถ้าเฉยอย่างเนี้ยมันจะไม่น้อมไปเพื่อการละกามาสวะไม่น้อมไปเพื่อละภวาสวะทิฏฐาสวะแล้วก็อวิชชาสวะไม่น้อมไปเจื่อะบาปอกุศลมันเหมือนคนเหมือนวางเฉยเหมือนจะได้ดีนะแต่มันไม่ดีก็ยังนะเพราะมันไปโดยส่วนเดียวไงไม่ไม่มีธรรมะอื่นเข้าไปกลุ้มเข้าไปนั่นท่านถึงห้ามไนงะหนึ่งอย่าเพ่งไปที่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวสองอย่าเพ่งไปที่ปัจจหานิมิตโดยส่วนเดียว ปัก้าหาคือความเพียรเนี่ยสามอย่าเพ่งไปโดยอุเบกขาดิมิดโดยส่วนเดียวถ้าหากว่าตรึกไปโดยสมาธิดิมิทโดยส่วนเดียวที่ยอมมานั่งอยู่ใช่ไหมแป๊บเดียวยอมบอกว่าหลับแล้วเพราะอะไรรู้ไห้ยยสมาธิมันเกิดโดยส่วนเดียวแล้วมันมันง่ายต่อการที่จะเกียรติค้านมันง่ายต่อการที่โกศชาจะเข้าแล้วมันง่ายต่อการที่ถีน้ำมิทะมันจะเข้ามากุ้มลงใช่ไม่ใช่เอาลองแกงนั่งเฉยๆแล้วไม่คิดอะไรดูดิ ดิงเนี่ยแป๊เดียวไปแล้วโอหอากาศก็ดีเย็นด้วยนั่งหลับใช่ไหมจ๊ะนี่จะเป็นนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูจประกอบปฏิจจจิตมนติการสมาธินิมิตตามการอ น, นควรปัจขานิมิตตามการอ น, นควรอุเบกขานิมิตตามการอ น, นควรจิตของเธอนั้นจึงเป็นจิตอ่อนควรต่ อ, ก, อ, ก, อการงานเป็นจิตผ่องใสตั้งมั่นถูกทางเพื่อความสิ้นไปของกามาสะวะเป็นต้นท่านที่ครั้งที่แล้วอุปมาไปแล้วนายช่างทองครับใช่ัหม เนี่ยมาเล่าใหม่นะเนี่ยนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองอ่ะก่อเตาข้าขั้นก่อเตาแล้วก็สูงเบา้าขั้นสูงเบา้าแล้วก็ใช้ชีมจับทองวางลงในเบ้านั้นแล้วก็สูบเบา้าไฟตามการนันควรถ้าไฟแรงร้อนมากไปก็พรมน้ําที่ทองตามการนันควรถ้าพอดีก็ดูเฉยๆตามการนันควรก็เหมือนกับที่เราจะพวกที่เท้าทําทอง เ, เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นทําเป็นเบา้าเป็นเตาที่สูบนี่ยถ้าหากว่าไฟมัน ถาเอาทองวางไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็สูบถ้าสูบด้วยส่วนเดียวนีท่ทองมันขาดเลยเนี่ยมันไหม้หมดเลยถ้าสูบสูบไปไฟมันลุกขึ้นแล้วก็พร ม, มน้ําไปที่ทองไม่พรมด้วยส่วนเดียวทองก็แข็งอีกใช่ไหมใช่หรือถ้าโอ้มันกําลังพอดีเลยเนี่ยไม่ต้องสูบแล้วไฟก็ลุกพอดีทองก็กําลังเ ป, ปล่งสังพอดีแล้วก็คอยดูว่าเออพอดีหรือยังอันนี้เหมือนอุเบกขาก็วางเฉยอยู่เนี่ยเข้าเนี่ยเข้าแล้วก็นําทองมาเอามาทําอะไรได้ ทำเป็นสร้อยก็ได้ทำเป็นแหวนก็ได้ทำเป็นสั่งหูก็ได้ทำเป็นนาฬิกาก็ได้ใช่ไหมมันจะทำได้จิตของกัเราเหมือนกันถ้าเราจเจริญ ก, กรร ม, มาฐานนี่นะถ้าไม่สังเกตยุ่งไม่ยงไม่ใช่ว่าเอ้าวสักแต่ว่ากำหนดกูก็กำหนดไปงั้นนหะไม่ได้นะเช่นว่าสากแต่ว่านั่งหลับตาก็หลับตาเพ่งดูลมหายใจถึงพวกเนี่ยเพ่งดูลมหายใจก็เพ่งเราไม่ได้ใส่ใจอะไรลนะ จิตจะยังไงก็ช่างเพ่งดินโดยส่วนเดียวนี่นะเพ่งไปที่สมาธินี่โดยส่วนเดียวนะเรียบร้อยนั่งรอนะครับเราเกียจค้านี่นี่ <St> เป็นอย่างนี้ตรงนี้ท่านบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่านายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองเนี่ยจะพึ่งสู่เป่าทองนั้นโดยส่วนเดียวย่อมเป็นไปได้ที่ทองนั้นจะไหมหากนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองพ่มน้ําที่ทองโดยส่วนเดียว ย่อมเป็นไปได้ที่ทองนั้นก็จะเย็นเสียหากนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองพักดูทองนั้นอยู่เฉยๆโดยส่วนเดียวเป็นไปได้ทองนั้นก็ไม่ถึงที่สุกทองก็ไม่สุกใช้การไม่ได้ต่อเมื่อนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองนะสูกทองนั้นตามการอันควรพรมน้ําทองนั้นตามการอันควรพักดูทองนั้นเฉยๆตามการอันควรเนี่ย ทองนั้นก็จะอ่อนควรแก่งานเป็นทองที่สุกปรังและไม่ปลาะใช้การได้ดีแม้ช่างทองประสงค์จะทําเครื่องประดับใดๆเป็นเข็มขัดก็ได้เป็นตุ้มหูก็ได้เป็นสร้อยคอก็ได้เป็นส้อยสังวาลหรือสิ่งประดับต่างๆก็จะสําเร็จแก่เขาชั้นใดเห็น ไ, ไหมท่านอุปมางิชัดนะนะในการปฏิบัติเนี่ยต้องต้องสังเกตว่าเออเราเพ่งไปในสมาธินิมี้อย่างเดียวจริงไหม เราไปในปักค้าานี้นี้เพียนมากเกินไปจริงไหมหรือว่าเพ่งไปที่อุเบขาเฉยๆนะไม่ได้ใส่ใจอะไรเนะี่ยโดยส่วนเดียวอย่างนั้นจริงไหมถ้าอย่างนั้นเรผิดพลาดแล้วจักไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมนี้ต้องดูด้วยใช่ไหมถ้าสมาธิมันมากไปก็แก่อต่ถ้าหาว่าเพียนมากไปก็ต้องถอยถ้าหากว่าเฉยมากไปก็ต้องต้องต้องไข้ควรต้องวิจัยอย่างเงี้ยนะถ้านี่จะแก้ปัปญหาตันเองนะนั่นสูตรหนึ่ง ส่วนอีกสูตรหนึง่งก็คือสีติภาวสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเนี่ยอาจเป็นไปเพื่อเพื่อรู้แจ้งสีติภาวะความดับเย็นความธรรมหประการชไหนภิกษุในข่มจิตในสมัยที่ควรครมยกจิตในสมัยที่ควรยกแล้วก็อะไรข่มจิตในสมัยที่ควรคมยกจิต ใ, ในสมัยที่ควรทําจิตให้ร่าเริ ง, งในสมัยที่ควรทําให้ร่าเริงเพ่งดูจิตเฉยเยในสมัยที่ควรเพ่งดูจิตเฉยเฉย เป็นผู้เมีอธิมุตคืออัายาสัยปราีิเป็นผู้ยินดียิ่งในพระนิพพานทำโหประการนี้เป็นผู้ทําให้แก้งซึ่งภาวะที่ยอดเยี่ยมนี่คือสีติภาวะสุดถามว่าคมจิตในสมัยที่ควรข่มสมัยไหนควรข่มมาตอบหน่อยเวลานักปฏิบัติเนี่ยยอมสมารเราจะสมัยไหนเราควรจะควรจะข่มจิตตอนไหนตอนไหนควรข่มตอนไหนตอนไหนควรข่ตร ม, ต อ, มตอนไหนควรยก สมัยไหนควรคมสมัยใดยนะเขาบอกว่าสมัยใดายการสมัยใดายภาวนาจิตเป็นธรรมชาติที่ฟุ้งร้านใช่ไหมสมัยใดยจิตนั้นฟุงสร้านคือตกไปในฝ่ายของอุทธจกักรมันฟุ้งจัดแล้วเพราะความที่สมาธินั้นอ่อนไปใช่ไหมสมาธินั้นมันอ่อนด้วยเหตุนั้นนะ่ะ ถามว่าอะไรเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราฟุ้งมากเพราะเราเพียนมากเกินไปในเวลานั้นเธออย่าเจริญพุทชงสามอาการนะหนึ่งอย่าไปเจริญธรรมวิจยะอย่าไปเจริญวิริยะอย่าไปเจริญจิตเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไปเจริญธรรมวิจัยสมมติถ้าจิตเราเนี่ยนะจิตมันฟุ้งเนี่ยยิ่งคิดนี่ยิ่งฟุง้งไหม ถ้ามันพุ้งอยู่แล้วยิ่งคิดยิ่งพุ่งใช่ไหม ย, ยิ่งพุ่งยิ่งเพียนยิ่งพุ้งไหมไปใหญ่เลยทีนี้เขาบอกอย่าไปเจริญพวกนี้สมัยนั้นควรจะเจริญอะไรอะ่ะปัตสัตย์ควรจะเจริญในความสงบน่ยใช่ไหมน้องก็หาความสงบได้แนละ้วบอกว่าการสงบแห่งจิตเนี่ยแล้วก็เจริญสมาธิต้องตั้งมั่นในจุดใดจุดหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องเจริญอุเบกขา ต้องเชือเร่องเบะขาตรงนี้เราก็เริ่มจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับครอยๆฟุ้งใชเจ้าเวลาฟุ้งอะไรทำนั้นฟุ้งตทำถ้าเกิดฟุ้งให้เราถ้าฟุ้งก็อย่าไปอย่าไปวิจัยถ้าถ้าสมมติเราฟุ้งเรื่องอะไรลองคิดดูนะว่าสมมติเราฟุ้งคนเนี้ทําไมเขาต้องทํากับเราอย่างนี้ไปแล้วนะอะเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยมันกล้ามาทํากับเราอย่างนี้ วิจัยใหญ่เลยนะมันมานั่งคิดแมแต่ก่อนก็เขาก็ทําะไรอย่างนี้แม่พิจารณาเล่าทั้งอดีตเรามาวิจัยหมดเลยอย่งนี้โอ้เราลรูลล้ไปแท้ทจริงคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นเราไปใหญ่เลยเขาอย่าไปวิจัยถ้ามันบงเหนื่นยทีนี้ประการต่อมาที่บอกว่ายกจิตในสมัยที่ควรยกได้สมัยไหนควรจะยกจิตสมัยไหนสมัยไหนควรจะยก การยกจิตในสมัยที่ควรยกกอบสมัยใดภาวนาจิตเนเป็นธรรมชาติที่ท้อถอยตกไปในฝ่ายโกศะชัคือเกียด์ค้านนะีนะด้วยเหตุทั้งหลายมีการทำความเพียรคือไปหย่อนเกินไปในเวลานั้นนะ่ะหนึ่งอย่าไปเจริญปัสสทตินะยิ่งจะเสียเลยสมมุติว่าถ้าจิตมันหัวถูอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งไปเจริญปัสสติสามพชทชงยุ่งแหละในสมัยนั้นควรจะเจริญธรรมวิญยาณควรจะเจริญวิริยะควรจเจริญปีตินาะ ตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจะต้องเข้าใจนะถามว่าในการเจริญในการเจริญปสัธตอติในเจริญในในการที่จะทําให้จิตสงบเนี่ยย้อนสมานจเจริญสมมติว่าเอ๊ถ้าจิตมันฟุ้งเนี่ยนะสมมติว่าจิตจิตมันฟุ้งเนี่ยถ้าเราจะให้สงบเนี่ยเท่าที่เคยแก้ปัญหาของตัวเองทำยังไงสมมติถ้าฟุ้งเนี่ยที่แก้ปัญหาที่เคยแก้แล้วไม่ได้ผล ไม่ทิ่แก้แล้วคิดว่าตนเองแก้แล้วมันได้ผลเนี่ยพอฟุ้งแล้วทไงอาง่ยเลยน่ยอนไปเลยอะไรไม่ได้แล้วทเทลยิกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปห่ก็เปิดยพนี่เป็นเล้วนี่ไม่เข้าหลักเลยจริงอันนี้นี่เสียเลยเีิมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไมันียถ้าถ้าเปิดเพลงฟังนี่ยุ่งแล้วยุ่งแล้วไปแล้ว คือถ้าหากว่าฟุ้งเนะในการนั้นในเวลานั้นเขาให้เจริญปัสสิให้เจริญสมาธิปัสสิก็หมายความว่าหนึ่งสิเหตุเกิดของปัสสิสำโพชงเนี่ยนะกายะปัสสิความสงบกายนี้อยู่จิตตาปัสสิความสงบของจิตนนั้มีอยู่ การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการคือการไข้ควรการพิจารณาในการสงบกายและการสงบของจิตนั้นมีเป็นอาหารย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปสสิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดเนะหรือเพื่อทางภัยบูลเจริญเต็มที่แห่งปสัสส ธ, ธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วปัญหาคือว่าเหตุที่จะทำให้ปสัสส ธ, ธิเกิดนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเสพโภชนะอันประนีสองเสพฤดูเป็นที่สบายอุตุอ่ะ ประการที่สามก็คือเสพเอียบทดเป็นที่สบายสปาย่านนี่นะประการที่สี่ประกอบความเป็นกลางห้าเว้นบุคคลผู้ไม่สงบกายหกเสพบุคคลผู้มีความสงบกายแล้วก็เจ็ดน้อมจิตไปในปัสติสัมบูรณ์ทรงประการแรกก็คือว่าผู้เจริญปัจจิตเนี่ยเมื่อบริโภคโภชนะเป็นที่สปายะอันประณิบหมดจดก็ดีเนี่ยเสพฤดูเป็นที่สบาย ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนเป็นต้นหรืออยาบทเป็นที่สบายไม่ว่าเป็นอียาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยย่อมเกิดความสงบได้แต่คํานั้นท่านไม่ได้กล่าวถึงหมายถึงบุคลบคลผู้เป็นมหากรุฎนะซึ่งอดทนต่อฤดูอยาบททั้งพวงได้เพราะว่าสําหรับบุคลบคลผูม้มีฤดูมียาบทถูกกันและไม่ถูกกันเป็นสภาธะหรือว่าเป็นต้นเหล่านี้ก็ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราอยู่ในยาบทไหนมันไม่ฟุ้งก็เลือกเสพอยาบทนั้น เช่นถ้ามันยืนแล้วมันฟุ้งลองนั่งดูที่ถ้านั่งมันฟุ้งลองนอนใช่ไหมนอนมันฟุ้งก็ลองเดินไปเดินมาเนี่ยเลือกดูหรือบรรยากาศเนี่ยเอรหว่างหนาวกับร้อนเนี่ยไหนจะฟุ้งอันไหนจะสงบก็เลือกหรือดูให้เป็นสิ่สบายเป็นเจ้าเหล่า น, นี้มี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเสพประการต่อมาคือว่าการพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเป็นของของตนประกอบความเป็นกลางกับปัจสถานพ่อชงประกอบความเป็นกลางก็ถือเป็น ให้พิจารณาเนี่ยพอพิจารณาเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยไอ้ความ เ, าเออลักษณะความเป็นกลางพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกประกอบความเป็นกลางถ้าพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะเข้าที่มันฟุง้งอย่มั้ยมันก็จะสงบเช่นว่าเออเราฟุ้เพราะคนคนนี้ด่าเราเนี่ยพอพิจารณาโอ้เนี่ยเขากําลังทำกรรมเนี่ย เขากาลังทํากรรมเนี่ยธยาสัยเขาเป็นคนแบบนี้มานานแล้วเขาถึงทํากรรมแบบนี้เขาทำกรรมที่มีโทษเขาก็ได้รับผลที่เป็นโทษทําไมเราต้องไปฟุ้งกับเรื่องเขาด้วยนะไอ้เราก็กําลังจะทํากรรมของเราเขาก็ทกํากรรมของเขาพิจารณานี้มันเริ่มใจถอดได้แล้วนะมันจะสงบได้เลยยังเขาเรียกว่าเสพพิจนารณาตรงนี้ให้ให้เข้าใจแล้วเสพผู้มีกายสงบสํารวมมือสํารวมเท้านี่ใครเป็นคนสงบส ง, งีอย่างใช่ไหม ใครเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลก็เข้าคบหาเขา้ า, เขาสมากองเมื่อบุคคลนะอย่างนี้มันจะลดลดได้เยอะแล้วก็จิตน้อมไปในโอนไปเพื่อเพื่อให้เกิดปัจติสามพุทธชงในยาบทไงยาบทไหนเนาะที่มันเป็นปัจจัยแก่ความสงบกายสงบจิตได้เพราะน้อมจิตไปในยาบทนั้นๆนะท่านไม่มีบอกไว้นะเออเธอฟุ้งก็ฟังเพลงนะเดียวไม่ ม, ม, มีเพราะว่าไปฟังแล้วเดี๋ยวบาปมันจะเกิดใหญ่เลยใช่ไหมฟังเพลงเนี่ยน่าฟุ้งเนะย จริงๆแะไม่ใช่ไม่เคยฟังนะฟังเหมือนกันนะเพราะฟังเนี่ยแล้วแล้วมันไม่ได้สาระอย่างกานฟังเลยดีคือไม่รู้เป็นอะไรนะอาจจะอามาจะเป็นคนที่ที่อาจจะหนักในเหตุผลมากไปหรือไงก็มีเวลาเวลาฟังเพลงอะไรมันจะเอามาวิจัยทุกครั้งใช่ไวิจัยวันก่อนก็วันก่อนก็ก็คุยคุยกันก็ก็พูดในเรื่องเนี้ยคนดเลยว่าเขาบอกท่านการปฏิบัติเนี่ยเอ็มดียอมก็อยู่ไปปฏิบัติ พอการปฏิบัติเนี่ยท่านก็ขอสอนในเรื่องของอายาวทยืนเดินนั่งนอนก็ให้กําหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนในการก็มานั่งคุยกันนะมานะมาก็ถามเอ๊ะทําไมต้องจํากัดเฉพาะตรงนี้อย่างอื่นปฏิบัติได้ไหม mm hmm. เขาบอกอันนี้มันสปายยะนะมาก็เลยบอกว่าอะจะพูดเรื่องทานให้ฟังทานโดยสรุปเนี่ยทานมีสีอย่างใช่มหมเขาบอกสอย่างคืออะไรเจตนาในการจะให้เป็นทานไหมเจตนาเจ ต, เตสิก เจตนาความจงใจความตั้งใจในการที่จะให้เจตนาเขาเรีย้ยวทานใช่ไหมวัตถุสิ่งของมีปัจจัยสี่นะที่โยอาศัยเครื่องนุงหมยารักษาโรคอาหารเป็นทานไหมนี่เขาเรียกวัตถุทานใช่อโลพะเจตสิกคือความไม่โลภอะความไม่โลภคือให้และตัดได้อะอันนี้ก็เป็นอโลพะทานใช่ไหมประการที่สีก่ก็วิรติทานวิรติทานนี่คื อ, อยังไงคืออภัยทานอภัยทา น, น คือถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกาไม่พูดเท็จตั้งต้นเหล่านี้เราไปอยู่หนะ้าที่ไหนน้าไม่ทําให้คนเขาหวาดเราแวงเนอะแล้วในขณะนั้นใจของเราก็น้อมใช่ไหมพะเรามีวิรติทานเนี่ยใจเราก็น้อมในลักษณะที่ว่าให้อภัยของอันนี้เป็นทานไหยท่านบอกเป็นมหาทานนะเนี่ยเป็นทานชั้นยอดด้วยเพราะเราเป็นบุคคลทําให้บุคคลเขาไม่หวาดสะดุง้งไม่กลัวเห็นไหมทานเนี่ยเจตนาก็ยังเรียกว่าทานใช่ไหม แล้วก็วัตถุสิ่งของที่ให้ก็เรียกว่าทานอโลภะคือให้แล้วให้เพื่อสละจริงๆเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อหวังอะไรเลยนะฮะสละเพื่อจะขจัดความตนี่ความหงแหนนั่นก็เป็นทานแล้วก็วิรติคื อ, ค, อคือการให้อภัยใป็นต้นทีนี้ถามว่าทานเนี่ยจอดหมายมเป็นภาวนากุศลได้ไหมอ้าทำยังไงอวตารมันเป็นภาวนากุศลเนี่ยจะเป็นไงคิดถึงเจรนาที่เราให้ความจงใจความคิด จิที่จัดแจงในการที่จะให้ที่สละนะ่ะคิดถึงตรงนั้นนะเอามาค่้ยควรบ่อยๆได้ไหมได้ไม่ได้วัตถุเนี่ยสิ่งของที่เราให้โอ้เราเคยให้เราเคยน้อมให้เราให้โดยมือของตนเองให้โดยความเคารพให้โดยศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยเราให้นะั้นเราตัดความตนหนีหวงแห็นเอามาค่ายควรบ่อยๆได้ไหมถ้าค่้ยควรบ่อยๆนะั้นเป็นอะไรขาเรียกจาระานุสติจารานุสติเนี่ยเป็นสมถะไหยเป็นภาวนากุศลไหมยองสมานเป็นไม่เป็น เป็นภาวนากุศลใช่ไหมฉะนั้นเอามาให้ควรเอาเจตนาในการให้เอาวัตถุที่เคยให้เอาความไม่โลภที่สลัดทิศตัดให้ได้โดยไม่มีปัญหามานาที่ถีนั่นแหละเอามาให้ควรเอาพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเอามาตรึกนอกน้อมบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันเป็นภาวนากุศลเมื่อจิตเป็นอุปยาและสมาธิแต่ว่าเราได้อะไรได้อนุสติข้อนี้แล้วถอยจากอนุสตินั้นก็มาพิจารณาว่า ไอเจตนาในการให้ก็ดีวัตถุที่ให้ก็ดีจิตที่น้องให้เป็นต้นนั้นก็ดีเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นวันจะเป็นธรรมดาเนี่ยควรเล่นหนอที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเราไม่ควรใช่งไหม ใชควรพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นตามลำดับในที่สุดจริงทั้งตลอดอริยสัจเป็นพระอริยพระได้เอาสิเนี่ยเอาทานเอาพิจารณาเขาก็บรรลุกันเยอะแยะน่าทำไงทำไมเราไม่ได้สักมรรคเลยอันนี้เนื้อทานนะนี่จบไปแล้วทานเอาต่อไปศีลวรติเป็นตัวอพัยาทานนะตัววรติก็คือตัวศีลนั่นแหละแต่ไม่้น้อมไปที่ศีลไง อ, อธิษฐานเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้นี่จะเอาพูกศีล เดี๋ยจะพูดศีลให้ฟังเลยนี้นี um. so, so, ouais. ่พูดทานจบเลยนะย่อนต่อไปศีลศีลก็บอกเจตนาก็ชื่อว่าศีลเอาจะจิตบเมื่อคืนนี้พูดว่าเจตนาก็ชื่อว่าทานเนาะเนี่ยพูดว่าเจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลสังวรก็ชื่อว่าศีลเอาวิตีกามะคือการไม่ก้าร่วงก็ชื่อว่าศีลเอาเจตนาก็ชื่อว่าศีลก่อนที่เจตนาในการที่จะให้จะสละจะบริจาคเป็นต้นนั้นเป็นทานแต่เจตนาที่จะไม่ก้าวล่วง จกไม่ฆ่าจากไม่ละจะไม่ประพฤติผิดในกรรมอันนี้คือเจตนาก็ชื่อว่าศีลหรือเจตนาในการที่จะวันทําวัดปฏิบัติให้เต็มเช่นทําอุปชัยวัดอาจาริอาจาริยวัดสัทธิวิหาริกวัดแล้วก็อันเตวัดสิกวัดเขาา้าใจไห้ในวัดเหล่านี้ว่าพูดไปเช่นอุปชัยลูกศิษย์ ป, ปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์อาจารย์ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ การประพฤติต่อกันและกันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญวัดอเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะทําวัดอย่างนี้ให้ให้เต็มให้บริบูรณ์นั้นอย่างนี้เขาเรียกว่า เ, า เ, เจตนาเจตนาก็ชื่อว่าศีนนั่นแหละหรือเจตนาความจงใจความตั้งใจในการที่จะกวาดวิหารลานโพในการที่จะทําอะไรดูแลพระเจดีไป ไปอุปถัมภ์พระเจ้าในการไปเช็ดไปปัดไปกวาดไปถูไปบำรงไปดูแลไปรักษาอันนี้ก็คือเจตนานั่นแหละนั่นเป็นศีลเนะเป็นวัดเนะี่ะเป็นวัดอ้ยังพวกเราอะ่ะเจตนาในการจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จ ไ, ไม่พูดส่อเสียเป็นต้นเราเนี้นะความจงใจตัวจัดแจงตัวเนี้ยอันนี้มันเจตนาก็ชื่อว่าศีลถ้าเป็นภรรยาก็ปฏิบัติสามีเป็นวัดเห็น ไ, ไหมนั่นแหคือเจตนาอันนั้นเป็นศีลนะเนี่ย เปศีล น, นี่ก็เจตานาก็ชื่อว่าศีลและเจตานาก็ชื่อว่าศีลน่ะไอ้เจตานาเนี่ยเจตานาเจตสิกที่ในกุศลเนี่ยกุศลแจิตเนี่ยเป็นกุศลกรรมใช่ไหมใช่เป็นกุศลกรรมนะเจตานาก็ชื่อว่าศีลในที่นี้ท่านเน้นกุศลนะไม่ใช่เน้นอกุศลเพราะเจตานาที่เป็นอกุศลก็ได้อันนั้นก็เป็นอกุศลศีลไปก็ไปว่าไม่ไม่ไม่ไม่พึงกล่าวในที่นี้แต่จะไปกล่าวแจกแจงตามปฏิสัมพิธามากกับบาปก็ชื่อว่าศีลมันกันนั่นเอง ไอ้คำที่ชอบกับอธิบายกันเลือเกินเรื่องปกติศีลเนี่ยทําบาปเป็นปกติอเป็นศีลของเขาเนี่ยนะแต่มันเป็นบาปแต่ในที่เนี้เอากุศลที่เจตนาความจงใจการจัดแจงตัวนั้นที่เป็นเป็นเป็นศีลในที่เนี้ยเป็นกรรมด้วยกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าพีชะนิทานกิจมีหน้าที่ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเพื่อเสวยผลต่อไปในนาพฤษฉะนั้นความจงใจที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นอนี้เป็นกรรมเป็นกุศลและกรรม และจะได้รับผลที่ดีต่อไปในอนาคตนี่ก็คือเจตนาก็ชื่อว่าศีลส่วนเจตสิกก็ชื่อว่าศีลเนี่ยวิรติสามไงสัมมาวาจาความงดเว้นจากวาจีทุจริตสี่งดเว้นเป็นความงดเว้นเนะสัมมาตมมตากความงดเว้นจากกายทุจริตสามมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นสัมมาชีวะเป็นไง งดเว้นจากการแย่ทุจริตสามวิจิตรจริตสีที่เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพนี่เป็นอาชีวะเกี่ยวอาชีพเช่นเคยสมาทานศีลอาชีวะธรรมกศีลมั้ยศีลมีอาชีวะเป็นที่แปดศีลมีอาชีวะเป็นที่แปดอันนั้นเป็นอาธิพรหมจรรย์นะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์นะอาชีวะต้องบริสุทธิ์ศีลหธรรมดาบางทีไม่ไม่เน้นอาชีอาชีวะบริสุทธิ์ก็ได้ถ้าอาชีวะบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะถ้าบริถ้าหากว่าโดยโดยรูปแบบก็คือ ไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นใช่ไหมไม่ค้าขายอาวุธเนี้ยพวกนี้เขาเรียกวิาวชาวณิชาเป็นอาชีพที่ผิดแต่ถ้าจะเน้นให้บริสุทธิ์จริงๆแปบลบว่าสมมุติเรายอมทํางานเป็นพยาบาลใช่ไหมยอมรักทําหน้าที่ของตนเองด้วยด้วยจิตที่ไม่โลภไม่โกรธคือทํากิตที่เป็นกุศล่นะ คือทำกิจการพวกเราทุกคนก็นแล้วกันที่ทําอาชีพตนเองอ่ะทำได้จิตที่เป็นกุศลทำไปเถอะแล้วได้ทรัพมาอย่างนั้นเป็นสมมาอาชีพจริงๆพมันได้มาได้จิตที่เป็นบุญน่ะแต่ถ้าทําไปโกรธไปเครียดไปกังวลไปเนี่ยนะมันทำอย่างทุจริตอ่ะกายก็ทุจริตคําพูดก็ทุจริตใจก็เป็นมโนโทุจริตก็ได้จะิทรัพมาเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกนั้นท่านเน้นอาชีพจริงๆมันไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่หรอก แต่เพียงว่ามันไม่มันถูกต้องแค่นั้นเองอาชีพแต่ว่าคุณวางใจไม่ถูกแล้ววางจิตไม่ถูกก็อย่างจิตที่วางนั้นวางผิดกวาดบ้านได้โทรศัพกวาดเสร็จไหมเสร็จกวาดด้วยโลภอุ้ยวันนี้แขกจะมากวาดเสร็จเหมือนกันใช่ไหมกวาดได้โมหะก็เสร็จกวาดด้วยกุศลก็เสร็จกวาดได้ศรัทธาก็เสร็จมันเสร็จทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันจะดีไม่ดีก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าบริสุทธิ์ไหมนะ กายกรรมคุณวิจีกรรมมโนโกรรมคุณบริสุทธิ์ไหมเนี่ยเก็วัดกันตรงนั้นเนาะนนก็เหมือนกับวัดเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ไปที่สนามหลวงแล้วเขาไปอภิปรายกันเพราะเขาก็อภิปรายกันโหมาอภิปรายกันบ่มบ่มแต่มาก็นั่งนั่งนั่งฟังคือคือถ้าอาจารย์ของตนเองขึ้นมาอภิปรายมันจะมีหลายหลายอาจารย์หลายลูกสิที่จมานั่งกันฟังกันเลยพออาจารย์ตัวเองขึ้นไปก็เอาแล้วโอรุ่นอาจารย์แล้วก็มองคนอื่นเห็นเมื่ออาจารย์เราไป เสร็จเลยเงี้ยถ้าไนั่งฟังธรรมกันยุ่งแล้วทั้งผูดฟังทั้งพูดสแสดงเสียหายมากคือหนึ่งจิตที่ตั้งไว้ไม่ดีมีโทษมหานตะ์การกล่าวทําการฟังธรรมนี่สําคัญมากคือการปฏิบัติธรรมนะอย่าลืมนะอาตมาดึงเน้นตลอดนะอาตมาเนี่ยถ้าหากว่ากล่าวทำได้จิตที่เป็นบาปอาตมาต้องรับผิดเสียผู้เดียวยอมไม่ต้องมารับผิดอาตมาเลยอบายทุกติวิบัติกับตกเป็นของอาตมานะแต่ถ้าหากยอมนั่งฟังธรรมได้จิตที่โลภโกรธหลง ได้มานาตัณหามานาทิฏฐิยอมก็ต้องรับผิดยมนะเขาเรียกมนัตติกาในการฟังไม่ถูกต้องฉะนั้นผู้ฟังกับผู้แสดงธรรมเนี่ยต้องทําจิตของตอนเองให้ให้เหมาะสมคือน้อมน้อมในการสแสดงธรรมก็น้อมในการที่จะขัดเกลาในการตนเองผู้ฟังก็ต้องน้อมในการที่จะขัดเกลากจะเจริญในทานศีลภาวนาอย่างไงจะเจริญนอกงามในประธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างไรจะวิญญาณสมานถ้าเราถ้าหากว่าเราไม่มนัตติกาเหมือนกับที่ว่าเรียนในเรื่องของไอ้สามัญช่างย่าบอกระ เป็นผู้กล่าวกับผู้นิงนะ่งเนี่ยเช่นอาตมากล่าวพระธรรมคาสอนไปไปตามดับกล่าวพอไปตามดับแล้วอาตมาหยุดปุ๊บอะไรนะต้องไข้ครวรก่อนดีไหมรูปธรรมกัรูปธรรม ท, ที่เป็นไปในขณะกล่าวดับแล้วในขณะที่นิง่งนี้พอหยุดนิ่งปุ๊บนึงแล้วก็มาพูดต่อนีอ่รูปธรรมกัรูปธรรม ท, ท, ที่เป็นไปในขณะนิ่งนั้นน่ะมันดับแล้วในขณะที่กล่าวใช่ไจถ้าอย่างนี้สแสดงว่ามีมานติการมีมีสัมปชัญญะเนะมีสัมปชัญญะ พอสมควรเนในการที่กล่าวคําสอนหรือในขณะที่กล่าวไปใจก็นอกน้อมพระผู้มีพระภาพว่าพระธรรมคาสอนที่นํามากล่าวนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยงั้นผู้ผู้กล่าวธรรมก็ต้องระวังนั่นหนึ่งอย่ากล่าวธรรมกระทบตนและผู้อื่นอย่ากล่าวธรรมด้วยการเห็นแก่ราษฎการ้าเป็นต้นอะไรเงี้ยมันผิดทช่ว่าการกล่าวธรรมก็ต้องต้องไข้เขื่อนอยตรงเงี้ยติยกตัวอย่างว่าเทตสิกก็เชื่อว่าสีนะ่ะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาชีวะ อา ย, ยกตัวอย่างเช่นเราสมาทานเนี่ยเขาเรียกสมาทานวิรัตอสมาทานวิรัตคือไงคือว่าสมาสมาทานวิรัตตัวนั้นไม่ใช่ตัวเจตนานะคําว่าวิรัตเนี่ยเป็นชื่อของวิรติสมาทานวิรัตเนี่ยข้าพเจ้าของงดเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าเนี่ยข้าพเจ้าของงดเว้นจากข้าพเจา้ า, า, จางดเว้นจากการรักข้าพเจ้างดเว้นจากการบุพฤติิดในกามเนี่ยอันนั้นมันเป็นตัววิรัติวิรติ วิรตีเนะี่ยเป็นตัวมดเว้นแต่บางคนไปบอกว่าไอ้คาพูดก็ว่ากันไปเข้าไปข้าบิเจ้าเจตนาในการมดเว้นจากการฆ่าไม่ใช่ไปเจตนาเนะเช่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาก็ว่าไปนะปาณาติปาตาเวรมณีเนี่ยโม ม, มีเจตนาเนี่ยะวิรัตเนี่ยเป็นใหญ่เขาจมะมาในจุลโทนี้ดูหน่อยบริเฉษที่สามอรมาณะสังหะวิรตีเจตสิกเนี่ยมีอารมณ์ ได้กี่การยอสมาร์ทแล้วได้ปัจจุบันกันอนาคตใช่ไหมได้สองการได้ปัจจบันกันอนาคตทีนี้อยกตัวอย่างนี้นะสมมติโอนสมาน์ทรับสีตอนเนี้ยอ่รับสีอาจารยก็ให้สียอมก็สมาร์ธาสีจะรับต่วหน้าผู้จะรูปตัวหน้าใครที่ตั้งใจเองได้เพีงนั้นแหละไอสนะ้สมารธานนี่นะสมารธานในการเปล่งออกมาก็ได้สมารธานในการนึกในใจก็ได้นึกในใจไว้ว่า แต่โดยมากถ้าจะให้สรบบริบูรณ์หน่อยก็สมาทานเปล่งออกมาเลยนะเป่งต่อหน้าเราต่อหน้าใครก็ได้กล่าวเพราพราไปเดีเสร็จแล้วก็ไปทํากิจของเราแล้วทีพอไปเจอวัตถุที่คึงเว้นนะเอาไปเจอหูแก้วนี่สวยนี่นึกขึ้นได้ใช่ไมเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะน้อมที่จะเอามาเป็นของเราเนี่ยเออไม่ควรเลยเนี่ยเราสมาทานกับพระเถร่ามาแล้วแล้วเราก็งดเว้นดานี่เป็นอะไรเนี่ย นี่เขาเราียกสมาทานวิรัติพยาย่างงดเว้นได้ด้วยการสมาทานเพราะเรานึกถึงที่เราสมาทานไว้นี่สมาทานวิรัติมันมีกําลังตอนเนี้วิรัติมีกําลังมากวิเขาใช้ให้ย้อนหวนนี่นะทีนี้เราไม่ได้สมาทานเลยอ่ะไปเห็นอีกเหมือนกันแต่ทําท่ายาวบุบเนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊คนเช่นเราเนี่ยศึกษากเพราะเรียนมาก็เยอะหรือว่าศึกษามาก็มาก อการที่จะไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตนด้วยการเห็นสมุมันไม่ควรแก่เราเลยฮีริโอตะปามมีกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะงดเวนด้นได้นี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมนี่ไม่ใช่สมาทานวิรนะัติอันนี้เขาเรียกอะไรนะสัมปตาวิรัติงดเว้นไว้ที่ประจบอารมณ์เฉพาะหน้าเขาใช่ยังนี่เขาจะสัมปตาวิรัติเนี่ยมันงดเวนด้นโดยประจบอารมณ์ที่มันปรากฏเฉพาะหน้าเั่นๆหรืออย่างนี้ก็เป็นสัมปตาวิรัตนินะเช่นยอมสมานเนี่ยสมาทานกับพระมาเหมือนกันใจสมาทานใส่ก็ทิ้งเลย ไม่ได้ใส่ใจเลสัตว์เป็นวิปสมาทานเบอร์เศษ็พราไปงานบวชงานแต่งงานอะไร็ขาก็ให้รับสินมั่วเลยใช่ไหมแ้วก็รับไปงั้นแหละรับแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจจริงไปเลยนี่ก็ไปเลยไปเจอสิ่งของนี่เหมือนกันว่า อ, อ, อยากจะได้เหมือนกันแต่แต่ไม่ได้คิดถึงที่ตนเองสมาทานเนียเอ๊คนเช่นเราเนี่ยร่วงการผ่านวัยมาขนาดนี้แล้ววิรัชยังไม่ควรกับเราเลยมันเกิดความละอายขึ้นมาเนี่ยเราก็งดเว้นได้ถ้าอย่างนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสมาทานเวลาด้วยสมปต่าวาาาวิรัชอ้าวสมปต่าววิรัช เพราะเรามันสักแต่ว่าสมาทานเราไม่ได้ไปคิดถึงสมาเข้าใจยังนี่เป็นสั ต, สตว์สัมปตวิรัตเรางดเว้นได้เองเพราะเราปารลตัวเราเองเนี่ยปางลบว่าเราเป็นผู้ร่วงการผ่านวัยอายุมากการศึกษามากเรามีพวกพ้องเรามีเพื่อนฝูงไปทําอย่างนี้ไม่ควรกัดเราอย่างเงี้ยฮีเลโอตบานีีกําลังไม่ใช่วิรัตแต่มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพราะสมาทานมีกําลังไอสมาทานความเกิดความตั้งใจไว้เนี่ยมัน มันมันเป็นตัวเป็นอา ร, รมณ์น้ำปัจจัยทําให้เราระลึกนั่นอีกอย่างทีนี้คือเจตนาก็ชื่อว่าศีลเดี๋ยวไม่ใช่เจตสิกก็ชื่อว่าศีลประการต่อมาคืออนัตพิชาอโลพะเจตสิกก็เป็นศีลเห็นไหมความไม่โลภเมื่อสักครู่เป็นทานใช่ไหมความไม่โลภ ก, ก็คือการให้การสละได้เนี่ยการตัดขาดในการให้แล้วยังเดฉพาดถ้าคนอโลภะแรงๆเนี่ยยมเนี่ ย, เ, ยเวลาให้อะไรใครเหมือนเทน้ําออกจากกระบอกเลยเนะ ไม่อะไรก็วอนเลยกล้าขนาดนั้นไปล่ะถ้าพระโพธิสัตว์นี่ขนาดนั้นนะเห็นคนยากจนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากมาขออะไรให้หมดมีแต่ว่าเออช่วยขอหน่อยสิพระโพธิสัตว์จะคิดแบบนี้อยากให้เข้ามาขออยากจะช่วยเขาอยากจะให้อะไรก็ได้เขาบอกคุณมีอะไรจะให้อ่ะคุณมองว่าเธอะที่เราให้ได้อ่ะให้ได้หมดงั้นขอดวงตาหน่อยโอ้ยินดีเลยให้เงี้ยอโลมพะแรงมากอโลภะเป็นประธานแรงมาก บอกว่มากกว่านั้นได้ไม่ได้ควักวงใจให้ก็ได้ชีวิตก็ให้ได้นี่คือพระโพธิสัตว์ซึ่งเราไม่ถึงเราไม่ถึงใช่ไหมใช่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือคือเหมือนเทน้ําออกจากกระ บ, บอกอ่ะไม่อะไรเลยก็ดีใจด้วยที่ได้ให้ชื่นใจด้วยปีติได้ปราโมดด้วยงั้นเขาเวลาเข้ามาลึกนี่ขนลุกขนชันเขาเขาอะไรได้ให้แล้วก็ปีตินี่ศีลเนี่ยวันก่อนท้าที่เขาบอกว่าโอ้แต่พอพูดถึงเรื่องศีล ถ้าท่านก็ปุยสนท น, นากันอีกองแห่งกระถางกับท่านอาจารย์อาดามาก็ น, นั่งฟังอยู่แค่นั่งนั่งขอไผยนั่งนั่งปัสสวะนี่ท่านอาจารย์เคยเกิดตรีตรีไหมท่านถามอีกรูปนึ่งรูปหนึ่งยังไม่เคย เ, เ, เกิดก็เกิดยังไงเกิดด้วยว่านึกถึงว่าเราได้ปฏิบัติตามวิธคํีสอนของพระพุทธเจ้าลแล้วคือพระท่านห้ามยืนปัสสาวะยืนถ่ายปัสสาวะใ้่ไหมพอท่านได้นั่งกัส ศาสนาได้พระบิดาเจ้าได้ทำตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎศีลปีติมัเกิดเห็นไหมเนี่ยเอาศีลมาละลึกแลมันเกิดปิติเราเคยอย่างนั้นไหมล่ะเวลาเรางดเว้นได้แต่ละครั้งงดเว้นได้แต่ละครั้งคือการไม่ฆ่าไม่รักไม่เบื่อผิดคือการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียเปต้นปีติมันเกิดทุกครั้งละลึกไปบ่อยๆลืบไปบ่อยเห็นไ่มนี่คือใช้ความไม่โลภก็ชื่อว่าศีลอภยบาปคือความไม่โกรธ เมตาก็ชื่อว่าศีนเนี่ยนะเมตตาเนี่ยเพราะว่าเป็นไปในการเมื่อเกิดขึ้นมีกําลังแล้วเนี่ยเมตตามันเกิดขึ้นแต่ว่าเมตตาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับโทสะใช่ไหมไอ้โทสะเป็นปฏิปักษ์กับศีนคนถ้าเมตตาเกิดเนี่ยศีลเกิดถ้าโทสะเกิดศีลไม่เกิดอนี้ลองดูดง่ายๆแบบเนี้ยมองเห็นใช่ไหมนั่นแหละเป็นตัวศีลด้วยแล้วก็สัมมาทิฏฐิก็ชื่อว่าศีน มีกรรมลักตาสมาธิจีคือพิจรารณากรรมผลของกรรมเดี่ยน้องไปศีลเนี่ยไม่ได้น้องไปที่ปัญญาเนี่ยน้องไปที่ศีลเอา้าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ไปทํากรรมไม่ดีเป็นศีนลนะเนี่ยคิดอย่างเงี้ยเราไปทํากรรมเขาเราก็ศีลเราก็ขาดสิเราไปฆ่าเขาศีลเราก็ขาดเราไปทํากรรมนี่เราก็ได้รับผลอีกเราไปรักของเา้าเอาศีลก็ขาดเราก็กลายเป็นคนยา จ, จกมีของมาก็วิบัติอีก เราก็ไปพื้ผิดในกาม อ, อ่ะสีนล้วก็ขาดอีกแล้วก็แตกกล้ากับครอบครัวอะไรเยอะแยะอีกมันก็ชิ้นเนี้ยอาจจะไปโกหกเขา อ, อ่ะสินเราก็ขาดอีกทำไมก็ทำกรรมที่ไม่ควรอีกแล้วก็การเป็ถ้ามีเกิดมาอีกทีก็สุขภาพปากวันก็เสียหายอีกแล้วกลายเป็นคนที่พูดจ้าไม่มีคนเชื่อถือเป็นต้นเนี้ยมันพิจารณาอย่างนี้เนี่ยพิจารณาเป็นแง่ของศีินนยโยมสมัยไม่ใช่แง่ของปัญญานั้นปัญญาตัวนี้จะเป็นศีลได้แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาร ะ, ะลึกได้ไั้ม ระลึกได้ไหมระลึกใบไหวได้ไหมเป็น ศ, ศีลารณ์สติระลเป็นอุปจารสมาธิถอยออกจากอุปจารสมาธิเอาเอาเจรณาศีลเจรศิศีลสังวรศีลเอาวีติกามศีลมาไข้คลัวพิจารณาเห็นดวควาไม่เที่ยงได้ไหมเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาแทงตลอดอริยสัจได้บรรลุได้ไหมเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลเอามาเจริญแล้วบรรลุได้ทานเอามาเจริญแล้วมันบรรลุได้แต่เราเรียนกันมาไม่ค่อยดีมันเป็นโทษ ทั้งๆที่มันอยู่กับตัวเราที่เราทํากันตลอดนี่แหละมันไม่มีใครบอกเราไงแบบเนี้ยเจ่าไหมว่าเอาทานมาเจริญนะจะเป็นปัจจัยการบรรลุนะเอาศีมาเจริญนะเอามาไข้ควรมาละลึกบ่อยๆจะเป็นปัจจัยการบรรลุนะกลับไปทําใหม่ย้อนเรา่มายไม่เขาไปทแล้วแล้วเวลาศึกษาเนี่ยเวลาศึกษาคําสอนเนี่ยเราเชื่อมไม่เป็นมันยุ่งนะเจ้าว่าจะได้พระอายุเจ้าว่าได้ยอมเลยพระอายุไว้ไมเป็นเนี่ยไม่มีคําสอน อยู่มาเรียนมากกระท่องมาตลอดอามากรท่องมาตลอดท่องเด็มหมดแ้วะนุสติเอ้ยเอ้ยท่องได้ทํายังไงศีลก็ท่องได้สมัยก่อนเนี่ยเริ่มเรียนวิสุทธิมรรคใหม่ๆเจตน้าก็ชื่อว่าสีนเจตสิกก็ชื่อว่าสีนสังวรก็ชื่อว่าสีนอวิชกมรรคการไม่ก้าว่วงมาชื่อชื่อว่าสีนเจตนาก็ชื่อว่าสีนคือเจตนาคือการจัดแจงบอกว่าอะไงเงี้ยนอกจาก้วนคุณทองไปอ่ะเอ้ยนี่เชื่อมไม่เป็นเนี่ยสงเคราะห์ไม่เป็นเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่เป็นเนี่ย แต่ประโยชน์มีนะทาไมทองวันนั้นไม่เข้าใจวันนี้ศนะีลานุสติก็เป็นอนุสติใช่ไหมเป็นสมถะกรรมฐานสมถะเป็นที่สมาทิงพิขเวภาเวถาสมาตัวเป็นต้นเนี่ยสมาธิเป็นปัจจัยแก่บปัญญาจากนั้นสมาสมาธิเกิดเมื่อไรแล้วสมาธิเป็นบาดฐานเป็นประธาฐานของ น, รรนิพพานนาปัญญามันรู้ได้สัมปสาวีระัะก็คือการงดเว้นในเมื่อประจวบอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหนะ้าเช่นเนี่ย เจออย่างนี้เฉพาะหน้าปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้สมาทานอะไรมาเลยนะเพรเห็นปุ๊บแล้วมันงดเว้นได้เลยอะ่ะนั่นแหละอ่างดเว้นโอ้ยไม่ได้เราไม่ควรทำเราไม่ควรลากเราไม่ควรจะไปทำอย่างนี้นั่นแหละสมปัจจาวิรัตมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีสมาทานไม่ได้สมาทานแต่สมาทานจะแข็งแรงกว่านะอย่าลอยสมปัจจาวิรัตเกิดทัีบางครั้งหิวเล็กอดปากมันไม่เกิดก็สมาทานไว้เป็นเรื่องที่ดีเอวันนี้เะไอยู่ในหลักหรือเปล่าเนี่ย อ๋อฮะเลยเตลิดออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะได้เยอะแต่ยังไม่ลดหน้าเลยยังอยู่ไม่เป็นไรฟังคือเรียนแล้วเนี่ยคือเรียนการการเรียนเนี่ยนะการเรียนยมีหลายระบบเรียนในห้องเรียนเรียนในการแบบเนี้ยการสนทนาเขาเรียกว่าเรียนทั้งนั้นแหละเนี่ยเรียกว่าเรียนทั้งนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจะเรียนตรงไหนก็ได้ก็ขอให้เกิดความเข้าใจก็แล้วกัน นั่นแหละว่าตัวสองมีแค่ตรงนั้นแหละจะเรียนแบบระบบไหนก็ได้นั่งเรียนยืนเรียนเดินเรียนเนี่ยนะจะขอให้เกิดความเข้าใจแล้วสามารถนำมาปฏิบัติทีนี้ก็เหมือนอกว่าวันก่อนวันก่อนก็มีมีไม่ชี้นันหนึ่งก็มาจากทางนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติมาเขาบอกว่าการเรียนปริยัตอย่างพวกเราเนี่ยเสียเวลามากเนี่ยประมเขาบอกว่าเสียเวลามากเนี่ยที่มานั่งเรียนเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลย ตัวอย่างเขาเนี่ยไปกําหนดพุทโธนั่งหลับตาเขาได้ประโยชน์เยอะเพราะงั้นเขาไม่ต้องเรีย น, นยปฏิบัติพระธรรมาก็เลยบอกว่ายมตรงนี้นะบอกว่าทำมังสรารนังคาฉามนี่เนี่ยข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเดียวเลิศของข้าพระเจ้าเนี่ยคําว่าทำมังสรารนังคาฉามนี่เนี่ยนะหรือว่าบทสารเสริญพระธรรมเนี่ย สว่าพระโตพระกว่าตาทำโมทำเ็นทำดีพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่พระธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมนั้นคืออะไรไม่รู้เลยเห็นไหมเนี่ยยอมไม่รู้ว่าธรรมยมนะมรคสีโสดาปิมารสกาธาคามีมรคอนาคามาีมรคอะไรจะมรคมีพระธรรมนะผลสีโสดาปิผลสกาธาคามีผลอนาคามีผลอาาผลละไรจะผลนี่ น, นมีพระธรรมนะนี่พนานหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมแล้วก็ปริยัติธรรมอีก ห, หนึ่งนี่คือธรรมัง ทำมาปริยัติธรรมคือทำมังสร า, นางรานังกฉามีพระเจ้าเนี่ยตัดสรู้ทำมังสร า, นางรานังกฉามีคือตัดสรู้ปริยัติธรรมแล้วตัดสรูมส้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึง่งฉะนั้นทำมังสรารนังกฉานี่ยรู้ได้โดยสัมพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าถ้าคุณดูถูกทำมังสร า, นางรานังกฉามีดูถูกปริยัติดูดูดูใครเห็ง <Yeah. S 1> <laughs> ไหมดูถูกสัพพัญยุตยานของพระเจ้าคุณขอออกมาเสีิ ถ้าคุณไม่ขอเข้ามาในการปฏิบัติแล้คุณจะดุดอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยพอไปดูถูกสัพพัญญุตยานไม่ได้คุณต้องรีบขอเข้ามาทันทีนี่คุณคุณด้วยแล้วมันเสียหายมากนะทีนี้ก็เลยบอกว่าอสองยอมทํามาจักรกับพวัฒนสูเนี่ยเอวเมตุตังเอกังสมยังประกาว่าภาราติยังภารตีเนี่ยอ๋อสาธยายไปพุฒิเจ้าแสดงจบปุ๊บอัญญาสิเวตาโพกนันโยอัญญาสิเวตาโพกนิยติ ยี่ดีทางเราอาญานมันตรง ว, ว่าไปเพราะจบเบสิสอัญญาโกนอัญญารู้เรื่อยอมบอกว่าตอนไหนเป็นปริยัติตอนไหนเป็นปฏิบัติพอฟังเสร็จ ป, ปุ๊บเนี่ยโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมทมสิบแปดได้บรรลุเนี่ตอนไหนเป็นปริยัติตอนไหนเป็นปฏิบัติเห็นไหมคุณยังแยกไม่ออกหรือแยกได้ยังไงปริยัติกับปฏิบัติมันต้องไปด้วยกัน อันย่อตัวอย่างเช่นแล้วคุณขับรถย่อสมายขับรถกลับบ้านเนี่ยขับขับไปเนี่ยไอยความรู้เนี่ยมันอยู่ในจริงสมองอยู่ในใจหรือเปล่าจะเลี้ยวซ้ายเล้วขวาหรือจะตรงเนี่ยมันก็อยู่ในขนาดนั้นเลยใช่ไหมเออถึงมาตรงเลี้ยวแล้วถึงตรงนี้ตร ง, ตรงเลี้ยวแล้วถ้ามันไม่มีปริญญาหรือข้อมูลอยู่ในใจมีจขับไปได้ไหยเนี่ย เมื่อคนปฏิบัติเนี่ยคุณจะไปแยกออกไาอยังไงปริญัตจะไปแยกไปแยกแล้วมันยุ่งมันคู่กันมันเคลื่อนหนุนกันตลอดเวลามันต้องไปด้วยกันด้วยคุณจะไปแยกคุณแยกไปคุณเจงเจงในะอย่างเงี้ยไม่เจ้าได้เลยวเรียแบบเจงถ้าเจ้ายัางเสมอใช่ไหมไี้เจ้าเจงนี่ไม่เข้าใจงั้นอ่ก็ขาพูดเลยพูดเข้าใจใช่ไหมก็เหมือนรูกไป็เสร็จคําสอนเบ็เสร็จแล้วคําสอนก็จะคอยเคลือนหนุนตลอดเวลาในขนาดนั้นะไปทิ้งได้งไงทิ้งผิดทันที ถ้ารู้ข้อมูลผิดเนี่ยขับรถออกไปทิ้งนี้ก็ผิดถ้ารู้ข้อมูลผิดว่าเอ๋อสมมติจะไปจะไปเนี่ยจะไปอพิพิธภัณฑ์เจ้าสามยาเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลผิดอะไปพวกก็เลี้ยวขวาอย่างนั้นเรี่ยวขวาบึ่งกลับสุพิธัณฑ์ตรงนั้นไม่ถึงนะมนคนลเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยฉะนั้นมันต้องรู้ตลอดเลยนะว่าไปยังไงยังไงไม่ใช่ว่าพี่ตอนนี้ทิ้งดีกว่าทิ้งขนาดนึงก็ไม่ได้ด้วยบวินัยเนี่ย จะบอกวิไม่ได้ตอนนี้เราหยุดปริยัติเพราะเราปฏิบัติอยู่หน้าที่ไหนอ่ะต้องสลับอยู่ตลอดเวลาวองเห็นยังยอมชัดเจนนอกนี้นะต่อไปเราจะไม่ทิ้งปริยัติแล้วทิ้งปริยตัตก็คือทิ้งธรรมังสารนังกระฉามทิ้งภาษาธรรมทิ้งได้ไงล่ะทิ้งทิ้งเรายุ่งเลยยุ่ไม่รูกก้จะเอาอะไรมาใส่เงาะข้อมูลยุ่งเลยอ้าวต่อไปพ่ช้างค่าโกสาลสูตรเลยจนจนข้ามไปเพ่งดูจิตเฉยอะไรอีกเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าทีหลังนอกตรงนี้ ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าชีวิตยังอยู่ได้ไปเรียนได้พ่ช้งค้าบับนี็ไม่มีปัญหานะโอ้โหดูเยอะอย่างไม่เป็นไรนะเรียนไปไช้ดายนะมาเรียนตอนอายุมากๆเนี่ยเราหน้าจะเจอพระธรรมตอนอายุสิบแปดส่วนพระสูตรในโกพชชังคะโกสารสูตรเนีดูก่อนพิกษุูทั้งหลายตอสมัยไดจิตหดทูท่านบอกอนะ้นะั้นนะใส่ไหมนั้นไม่ใช่การเพื่อจะเจริญปสัสสถสัมพชง ไม่ใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่การที่จะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะเหตุอะไรเพราะจิตที่หดหูยากที่จะให้ตั้งได้ด้วยทำเหล่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยรูปโพงเขาก็ใส่หญ้าสดโพไมไม้สดแล้วก็พ่นน้ําแล้วก็โรยฝุ่นลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยรูปโพงขึ้นได้หรือหนอะภิกษกุก็ตัดประกอกตอบบอกว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ erm. ้าบอกฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นไม่ใช่การที่จะเจริญปัสสธิสำโพชงไม่ใช่การที่จะเจริญสมาธิสัมโพชงมิใช่การที่จะเจริญอุเบขาสำโพชงข้อนั้นเพราะเหตุลายเพราะจิตหดหูยากที่จะให้ตั้งได้ด้วยธรรมเหล่านั้นฉันั้นหากจิตหดหูนี่นะอย่าไปเจริญสมาธิเอออย่าไปเจริญปัสสติอย่าไปเจริญสมาธิแล้วก็อย่าไปเจริญอะไรอุเบขามันเหมือนว่าต่อไปกองน้อยขึ้นใช่ไหม เมื่อไฟกองน้อยๆกลางลุกโคลงขึ้นเนี่ยเอาหญ้าสดไปโยนใส่เนี่ยันจะดับเลยนั่นเองหญ้าไฟจะดับแล้วหนักไปกว่า น, นั้นเอาเอาอะไรโคไมโคไมสดที่เป็นไงโคไมล์สดโคไมโคคือโคเนี่ยไอ้ไมล์สดก็คือขี้โคใช่้หมเวลาไอโ้โคมันขี้มารื้อถ่ายมาใหม่ๆเราไปใส่กองไฟดับหรือติดดับเลยเนี่ยดับเลย เอาพ่นน้ำใส่ชัดเลยนี่ดับทันทีหนั ก, กไปก่า น, นั้นเนี่เอาฝุ่นไปโรยอีกเรียบร้อยเขาต้องบอกว่าถ้าจิตหดครูอ๋อย่าไปเจริญสมาธิอังนี้ท้อหดครู๋ท้อท้ อ, ทอไม่อยากจะทําอะไรเลยใช่ไหมหดถู๋เนี่ยต้องไปทําจิตให้สงบไปไงเป็นไงไปลายใหญ่นะทําจิตให้สงบดิ่งในลมเดียวแล้วจิตหดผูอยู่แล้วจะเจริญในกุศลไหม จเลยไหมไม่มีทางเลยเพราะจิตมันโหทูอยู่แล้วไปทําให้มันดิ่งอยู่แนวลมเดียวมันก็ยิ่งไปใหญ่ใช่หมมอดมอดมอดไปก็หลับหลับไปเลยเดี๋ยวนี้ฉะนั้นไม่ใช่การที่จะเจริญสมาธิไม่ใช่การที่จะเจ ร, ริญปัสสติไม่ใช่การที่จะเจริญอุบเบกขาและในขณะที่โหทูไปวางเฉยก็ไม่ได้จิตมันโหทูนี่เหลือนิดเดียวอยู่แล้วก็ไปวางเฉยอย่างเงี้ย ไม่ไม่ได้อะไรเลยบุญไม่เกิดเลยเนะฮะศรัทธาก็ไม่เกิดฉันทะก็ไม่เกิดวิริยะก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดจะไปเกิดได้ไงเพราะมันจิตทัวถูแล้วไปดำไปเพ่งให้จิดเป็นสมาธิดำไปคำความสงบให้เกิดขึ้นนั่งไปวางเฉยเขาอีกจบเลยก็เหมือนว่าเราต้องการไฟอ่ะก่อไฟกองเล็กๆขึ้นหนึงเอายาสดโยนใส่เอาขี้วัวโยนใส่ขี้วัวสดๆเนี่ย เนี่ยเอาเอาน้ำไปพ่นอีกแล้วเอาอุ่นไปกรอบอเรียบร้อยไม่ได้อะไรแล้วจะไม่ได้ไฟไม่ได้แสงสว่างพิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดจิตถดถูสมัยนั้นไม่ใช่การที่จะเจริญปสัสสถีสมาธิแล้วเบิกขาเพราะอะไรเพราะว่ายากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ได้ทําเหล่านั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตถดถูสมัยนั้นเป็นการที่ควรเจริญอะไรธรรมาวิจยาณสำโพชฌงถ้าจิตถดถูนี้นะ ควรจเจริญวิริยะสัมโพชงควรจเจริญปีติสำโพชงเพราะอะไรเพราะจิตหดหูนั้นได้ตั้งขึ้นได้ง่ายได้ทำเหล่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยลุกพง<ม>ก็ใส่หญ้าแห้งลงไปใส่โคไม้แห้งเข้าไปแล้วก็ไม้แห้งเข้าไปแล้วก็เอาปากเป่าเป่าไฟไมันลุกบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟให้ติดได้หรือไม่ข้าก็บอกว่าได้พระเจ้าค้าเ่ย ฉันนั้นเหมือนการภิกษุสมัยใดจิตหดผูสมัยนั้นเป็นการที่ควรจะเจริญธรรมะวิจัะควรเจริญวิริยะควรเจริญปีติสัมโพชชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อจิตหดผูจะตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเวลาสมมุติถ้าจิตหดผูนี่นะคนเจริญธรรมะวิจัะสัมโพชฌงคนรมาแยกเลยแยกวิจัยยังไงวิจัยในลักษณะว่าบุญบาป คนจะวิจัยในลักษณะอย่างนั้นนะการเจริญธรรมวิเชยรสมโพชงเนี่ยธรรมวิเชยรสำโพชง์ท่านเจริญแบบนี้ท่านเจริญบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมวิเชยรสำโพชงนั้นมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าบอกว่าธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมที่เลวและประนีธรรมที่เทียบด้วยการทำดําและทำขาวมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารที่เป็นปัจจัยด้วยความเกิดขึ้นของ ทาวทวยาสัมพุทธชงที่ยังไม่เกิดและความทางไตรบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปท ร, รมัทวิทยาสัมโพุทธชงที่เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าต้องการจะให้ถ้าจิตทอดูนี่หนึ่งสอบถามสองทำวัตถุให้สลัดสลวยทั้งภายในภายนอกนะหมายความว่าภายในร่างกายต น, นเองแล้วก็ภายนอกประการจะมาคือปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอศรัท ธ, ธากับปัญญาวิทยากับสมาธิแล้วก็ครอบบุคคลผู้มีปัญญาเป็นต้น เวลาเวลาเจตุเจตโททูเนี่ยสมมตินั่งน่งอยู่นี่นะเวละเจตโททูก็สอบถามเนื้อความท่านช่วยอธิบายขันค่ายฟังหน่อยที่รวปรวขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากจิตโททูมันจะตื่นขึ้นมาเลยอธิบายอายตนะอธิบายเรื่องผาดเรื่องโพดชงเรื่องมรรคเรื่องฌานเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาสอบถามเรื่องเหล่านี้ยที่จะเพิ่มภูมิมันจากจิตโททูมันจะภูมิขึ้นเลยวถ้าวัตถูยิ่งไม่ขวนขวายในการที่จะรู้คําสอนเหล่านี้ยุ่ง ทีนี้ถ้าจิตหดหูนี่นะแต่งตัวก็ z ้มๆ Zoom เาหมองผมเป่าก็ไม่ตัดเล็กก็ไม่ตัดฟันก็ไม่แปรงถึงว่าไงไปใหญ่เลยนู้นไอวัตถุภายนอกโวยบ้านก็เลอะเทอะเนี่นะมันจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่โปรองใสเลยท่านก็กล่าวในลักษณะนี้ไอจิตโดถูต้องเจริญธรรมวิชยะแล้วก็วิริยะแล้วก็เจริญถ้ือากหากจิตหดถูไปพิจารณาเรื่องความตายก็ก็ก็จิตก็ ก็ตื่นขึ้นนะมีความปวดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาย้อนพิจารณาเอเนี่ยเห็นไหมเห็นสัตว์รัจฉานจะพิจารณาเห็นไหมเนี่ยสัตว์เหล่านี้ล้วนจะเป็นคนที่ท้อถอยมาทั้งนั้นไม่ไม่เจริญวิริยะไม่เจริญสีสิไม่เจริญธรญรมวิจยตทั้งนั้นเลยเนี่ยต่อมาก็เป็นลงอบ า, ายทุกขจิตวิญญาณตะลุก้ะเธอยังมวยหดหู่ท้อถอยอย่างนี้นี่ก็เป็นที่ไปของเธอแล้วเตือนตัวเองอย่างนี้มัจิตมันตื่นนะจิตมันตื่น เคยไหมพอเห็นทีนี้นบาทีทำท่าหยิกเกียร์ค้านเนี่มองเห็นวิงจอบวิ่งกัดวิ่งกินเหลือบกินยุงกินอะไรที่มันจิตมันตื่นไหมโอ้ยตายแล้วเราไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมเห็นไหมพวกที่ประมาทมัวเมาทั้งหลายก็ไปกลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ทํากรรมอย่างนี้อย่างเนี้ยมาทําต่อหน้าต่อตาเรามาแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยท่านทั้งหลายแต่ก่อนเราก็ประมาทเหมือนท่านอยู่แล้วมัวทำจิตหดหูอยู่เงี้ยตอนนี้ดูข้าพเจ้าที่ ถ้พีาอยากจะสวดมนต์ก็สวดไม่ได้จะแล้วก็มานั่งทําบาสนอนทาบาสยืนทาบาสเนี่ยเห็นแมลงวินบาหน้าก็าหิววิ่งไปจิกไปกินเขาอยู่เนี่ยจริงเขาสอนเรานะแต่เราคิดอัดถามไม่ออกคิดออกไหมจริงๆต้องคิดให้ออกนะเวลาเห็นอไบยสัตว์ก็พยายามคิดมุมมุมนี้แต่คิดตรงนี้ไม่ออกวิริยะสำคูชงไม่เกิดแต่จะคิดออกก็เกิก็เหมือนว่าเอาปันก่อนไปนั่งคุยกับน้าให้บอกทำไมเด็กๆก็มันเคยไถนาก็าบอกไถนาใช้วัวหรือใช้ควายเขาใช้วัว อาตมาก็บอกอาตมาใช้ควายเมื่อไรใช้ควายก็ต้องใช้ใช้ใช้เชือกตีมันไลยมันจะเดินจะจะวัวเนี่ยเราก็บอกว่าวัวไม่ได้ก็ต้องใช้พวกไม้ที่ใช้ประตักแทงเอาว่าหนังมันหนาตีไงมันก็เฉยตอนนั้นก็คิดไม่เป็นนะสมัยไถนาเนี่ยไถนาใช้วัวใช้ควายไถเนี่ยถ้าคิดไม่ออกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้โัวไม่ไหวแล้วใช่มไหมให้ไปกลับไปทําใหม่โอ้ไม่เอาแล้วแย่จะไปตีสักแป๊ะมันยังกลัวบาปแล้ว แต่ก่อนอะโหกลัววางานมันไม่เสร็จตีใหญ่แต่ยะไม่ได้คิดบุญคิดบาปแล้วมันคิดไม่เป็นนี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีข้อมูลในการที่จะไปคิดได้เลยนะก็ไปทาบาปนะทำบาปตีลองคิดดูว่าเราไปเกิดแล้วเราคือมันอย่างนี้ด้วยนะเอาสมมติไปเห็นสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็หลงละเลยใช่ไหมกลับไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เครียดแค้นชิงชังมันก็คิดไม่ยาได้ไม่ได้มันก็ออกแต่ว่าต่าไม่ได้อยู่ดีแล้ว พอพอตรงนี้นี่นะเพราะพระพุทธเจ้าเคยตรัสอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระเจ้าเสด็จเวสาราีคนต้อนรับนี่ยังใหญ่โตเลยอ่ะเช่นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นหลังจากที่จะไปจากรราชคฤห์ที่จะไปเวสาราีใช่งไหมพระเจ้าพิมพิสาร น, นี่เท้าทางทางอย่างงามติดพงติดอะไรต่างๆสร้างสลาทุกตึ้งยอดไอ้ทุกไอทุกกิโลกิโลนี่สร้างที่พักแล้วก็สร้างเรือใหญ่บรรทุกอย่างดีย่อมว่าแต่พระเจ้าพิมพิสารเลยเทวดาทุกชั้น มาบูชาหมดดอกไม้ธูปเทีทยนอะไรต่างๆอะไรนี้ตลอดถึงมีธ ง, ม, งมีอะไรผืนผืนผ้ายันยันพงมาโลกพระุทธเจ้ามาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันนี้เป็นผลของกุศลเล็กน้อยดีสุวดหวงั้เป็นผลเล็กน้อยมากที่เคยบูชาพระธาตุพระบรมสารริกธาตุนี่เป็นผลเล็กๆน้อยๆฉะนั้นอย่างเทียบต้อนแล้วยิง่งให้หลวงเป็นเรื่องเล็กเล็กยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าได้รับอีกเนี่ย เป็นเศษเชี่ยวเลยท้านั้บไปอันนี้พูดเลยเราไม่ได้ทําบุญประเภทนี้ไว้หรือกุศลประเภทนี้ยังไม่ส่งผลก็อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นผลเป็นผลไทยนอกผลการบูชาดูก่อนทิกษศทั้งหลายสมัยใดยจิตฟุ้งร้างสมัยนั้นไม่ใช่การที่จะเจริญวิริยาสัมโพชฌงไม่ใช่การที่จะเจริญเออไม่ใช่การที่จะเจริญธรรมะวิทยาสัมโพชฌง ไม่ใช่การที่จะเจริญวิริยสัมโพชงไม่ใช่การที่จะเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านยากที่จะให้สงบได้ได้ทำเหล่านั้นเปรียบเส ม, มือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคลไม้แห้งแล้ว เ, เอาปากเป่าและหรือไม่ก็โรยปุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นสามารถจะดับกองไฟใหญ่ได้หรือนอ พิสูจทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะพระพุทธเจ้า ต, ตรัสตรัสว่าฉันนั้นเหมือนการพิสูจทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การที่จะเจริญธรรมาวิจยตรสำโพชง์ไม่ได้การที่จะเจริญวิทยาสำโพชงไม่ใช่การที่จะเจริญปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านยากที่จะให้สงบ ไ, ได้ด้วยทำเหล่านั้นตรงนี้ก็ถ้าหากว่าจิตเกิดความฟุ้งซ่านหนึ่งอย่าไปเจริญปัญญาอย่าไปเจริญความเพียน อย่าไปเจริญปีติเพราะจิตฟุ้งซ่านแล้วถ้ามาเจริญสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่เช่นถ้าฟุ้งซ่านนะจิตมันฟุ้งซ่านด้วยอุทธจารด้วยกุบกุจจาหรือฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วเราก็ไปคิดใหญ่ว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นบุญนี่เป็นบาปนี่เป็นคุณนี่เป็นโทษนี่นะไปวิจัยอย่างนี้นะหรือไปตึกเอาขันเอาอาญานะเอ า, าธาตุมาไขควรรูพิจารณานี่ไปใหญ่เลยนะไม่ได้ตึดลมบนเลยตย่างนะี้ไปแล้วเคยบองคนเนาะตึกมีนะ สามาได้กับตัวเองตอนนั้นป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลที่พอนอนมีโรงพยาบาลทีนี้เออหุยมันก็ฟุ้งอลยนะพอฟุ้งขึ้นมาก็เอานี่เรื่องนี้มาคิดใหญ่คิดไปคิดมาทั้งคืนนอนไม่ได้เลยคือวันพรุ่งนี้จะจะผ่าตัดแล้วจะผ่าตัดแล้วทีนี้จิตมันก็ตื่นเพราะตื่นเอีะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดถ้าเราไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้เจริญกุศลอะไรเลยเนี่ยเกิดผ่าตัดแล้วตายไปนี่เราจะไม่ได้บุญแล้วมองเลยมั้ง ยกขึ้นมาไม่ไม่ไ ม, ม, ม่เอาแล้วหมอก็บอกให้รับเพิ่เต็มที่นะเดี๋ยวเกิดความดันขึ้นเดี๋ยวจะพาตัดไม่ได้ก็ก็นั่งเฉยๆนอนเฉยๆพอหมอไปเราอยู่ค น, นเดียวกลัวอะไรแล้วในห้องใครควรเอามาวิจัยใหญ่ทนีนี้โคตรฟุ้งนะั่นฟุ้งอ่ะเป็นฟุ้งแบบว่าประเภทที่เอาสาธยายเอาสูตรนั้นมาสาทยายพอพอพไปเรื่อยอย่างเนี้ยแต่นี้พอสาทยายไปมันมั น, ม, นมันลงไม่ได้ ามันลงไม่ได้เขามันมันตะเลิดมันฟุ้งอ่ะมันฟุ้งแล้วมันก็คิดไปกับพฤติกรไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่กุศลแน่เพราะปีติมันไม่เกิดเมื่อใจพี่หยุดไม่ได้แล้วแล้วพิจารณาไปยี่ตั้งหลายหชั่วโมงแล้วถึงที่แรกกนึกว่าเป็นบุญเนี่ยพี่ทําไมเครียดเน่ยพิจารณาไปมันเครียดใหญ่นี่นี่ผิดแล้วไปเพียนมากเนะพอาุ้งก็ยิ่งไปเพียนใหญ่เดินบั่งยืนบ้างนั่งบ้างเรียบร้อยมี่จเจริญผิด ไปทํามาแล้วไม่ใช่เรื่องเพราะการปุ้งเนี่ยไม่ไม่ไมจิดฟุ้งเนี่ยไม่ควรเจริญทำรรมาวิญยาไม่ควรเจริญวิริยะยิ่งไปพิจรารณาถึงอะไรไหมชาติภัยชราภัยวรณนาภัยพิจรารณาภัยในไบยภูมิใช่ไหมพิจารณาพวกอบายาภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นิรันดร์สัตวน์นรกไปพิจรารณาพวกวั ว, วช่างมาวัวควายเป็นตัวเหลอเนี่การที่เรายังไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้กลัวใหญให่แต่เนี่ย เพราะกัวใหญ่เลยพุ้งใหญ่เลยรตเนี้ยก็ตอนเช้าพอตอนเช้าหมอมาวัดความดันเรียบร้อยเลยขึ้นกับสองร้อยแล้วขึ้นจะสองร้อยนะก็มันนั่งวิจัยในเรื่องเหล่าเนี้ยวิจัยตลอดกลัวว่าเสียเวลานิดนึงไม่ได้แล้วหมอมาพบก็ให้ยาอีกย่างนึ้ใช่ไหมก็ก็วิจัยผิดพลาดเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าอไม่ได้เรามีเวลาเหลือแค่เนี้ยมีเวลาเหลือแค่เนี้ยเนี่ยียปฏิบัติผิดมันไม่ไหวร่างกายรับไม่ได้ ดูก่อนที่ถืทั้งหลายสมัยใดยจิตปรุงสร้างสมัยนั้นเป็นการที่จะเจริญปสัจจเห็นเองไหมจริงๆควรเจริญปัจจุบันสำโพชงเป็นการที่ควรเจริญสมาธิสัมพชงเป็นการที่ควรเจริญอุเบกขาสำมพชงข้อนั้นเพราะเหอตุไรเพราะจิตที่ปุ่งสร้างให้สงบได้ง่ายได้ทำเหล่านั้นเปรียแบเบสมือนบุรุษต้องการที่จะดับไฟกองใหญ่เขาก็หาหญ้าสดโพไมสดไม้ส ด, สดแล้วก็น้ําฝนแล้วก็โรยปุ่นลงในกองไฟใหญ่นั้น บุตรนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญ่นั้นได้หรือนอภิสูจก็ตอบว่ได้พระเจ้าข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันภิสูุทั้งหลายสมัยสมัยใดจิตฟงสร้างสมัยนั้นเป็นการเพื่อจะเจริญปัสจัทติสัมโ พ, พชฌงเป็นการที่จะเจริญสมาธิสัมโพชฌงเป็นการที่จะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตจะสงบได้ด้วยการได้ทําเหล่านั้นรู้ก่อนภิสูุทั้งหลายเรากล่าวว่า สติแล้วว่ามีประโยชน์ในจิตทั้งปวงฉะนั้นตรงเนี้ยนะถ้าดูจากไปปัสสธิดูจากสมาธิดูจากไปอุเบกขาสามโฟชงเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าถ้ามาพิจารณาว่าถ้าหากว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคนจะเจริญสมาธิเนี่ย อ, อันนี้สําคัญมากถ้าไปเจริญปีติก็ไม่ได้อีกนะเจริญปีติจิตมันก็ตื่นอีก พราะตื่นตื่นไม่เจ้ง่ายต่อการที่จะกลับไปฟุ้งถ้าสมาธิเนี่คือยังไนดูก่อนเทกนิคทั้งหลายสมาธินิมิตอััพยักขานิมิตมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิสมานาสิการในสมาธิทั้งสองนั้นนี้เป็นอาหารนี้เป็นเหตุแห่งความเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดหรือสมาธิสัมโพชฌงเพื่อความไปบูลนแห่งสมาธิสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วเหตุสิบเอ็ดประการนะก็คือว่า ความวัตถุให้สลัดสลวยปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอฉลาดในนิมิตเป็นต้นเหล่าเนี่ยเป็นปัจจัยเก่ยความเกิดขึ้นของของสมาธิเป็นปัจจัยเกี่ยวกัการเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงทีนี้บอกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการกําหนดกระสินนิมิตเป็นต้นการประคองจิตให้ตั้งมั่นเป็นต้นเราเนี่ยนะในปัจสทดีสัมโภชงเป็นต้นเหล่าเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่การเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชง อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าความเป็นผู้ฉลาดการก็บอกว่าการทําจิตให้ล่าเลยในสมัยที่ควรล่าเลองสมัยใดจิตไม่แช่มชื่นเพราะมีปัญญาและเพราะความเพียรอ่อนไปหรือเพราะไม่บรรลุสุขที่เกิดแต่ความสงบสมัยนั้นก็ทําจิตให้สลดด้วยการพิจารณาสังเวคาวัตถุ ก, ก็พิจารณาอย่างไงละ่ะพิจารณาชาติชราพยาที่มรณะทุกในอบายวัฏทุกเป็นต้นเหล่าเนี้ยพิจารณาอย่างนี้เนาะ เท่งเฉยในสมัยที่ควรเท่งเฉยก็ได้เว้นบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านนี่น้อมจิตไปเพื่อให้เกิดสมาธิในยาบททั้งหลายบางทีเนี่ยถ้าหามันเกิดความฟุ้งขึ้นมานี่ยก็ลองให้สังเกตในยาบทก็ได้นะบางทีเราเดินมันฟุ้งให้หยุดนะมันยืนดูที่ไอ้ที่ยืนมันยังฟุ้งก็ลองนั่งเลยเนาะนั่งฟุ้งก็ลองนอนมันก็จะสังเกตเนี่ยเนาะสมาธิไหนที่จะเป็นเอ่อยาบทไหนที่จะทําให้หายฟุ้งได้ก็อยู่ในยาบทนั้น อากาศก็ได้บุคคลที่เราครบจะคบคนนี้มันพุ้งพบกับคนนี้ไม่พุ้งก็ก็แยกแยะฟังธรรมะเรื่องนี้พุ้งแบบเรื่องนี้ไม่พุ้งเนี่ยนะก็แยกแยะ ก, ก็จะช่วยได้เนี่ยเขาเรียกว่าในด้านของการที่ว่าหน่วงหาอารมณ์ที่จะเป็นไห้กระจายเกิดสมาธิระหว่างฟุ้งกับหดขูนี่ยนะจิตที่มันพุ้งกับจิตที่หดขูเนะี่ยไหนแก้ยากอะไรแก่ยากหรอฟุ้งยังไหมุ่งไม่ยากเลยการพิจะะนารณาเนี่ยนะ นี่ไปพิจารณาพิจารณายัางไงวิ่งเดียวฟุ้งเนี่ยแล้วก็พิจารณาเบื้องต้นแล้วก็ค่ายควรตัวเราเองก่อนที่ค่ายวรว่าเอ้ฟุ้งเนียนเป็นบาปนะก็พิจารณาเนี้ยเพื่อเนี่ยเรามานั่งทําบาปอีกแล้ ว, ร ว, รวรเราฟุงงงา้งเรื่องอะไรเนาะก็พิจารณาค่ายควรหนึ่งค่ควรหนึ่เอาฟุ้งเรื่องบ้านฟุ้งเรื่องงานฟุ้งเรื่องอะไรนี่อย่างนี้เราเสียหายแลย้ ถ้าอย่างเรากําลังฟุ้งอย่างนี้ถ้าตายลงในขนาดนี้เราควรเกิดเป็นอะไรดีนะนถามตัวเองอย่างนี้เลยใช่ไหมถามอย่างนี่นะเนี่เราจะเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกหรือจะเป็นสัตวาา์เดรัจฉานหรือจะเป็นอันอัรกายดีเริ่มแล้วใช่ไหมไอ้ฟุ้งเริ่มอย่างนี้ไม่เอาเลยเอ๊ะทำไมเกิดมาบัทเสราดตัวเราอย่างนี้นะี่เนาะไม่คู่ควรกับเราเลยแล้วก็รักษาศีลให้ทานจเจริญกุศลมาพอสมควรทําไมมาทําทําไมต้องมานั่งฟุ้งอย่างนี้สร้อยบาปเกิด แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าใช่ไหมว่าจุดสิดติดหรือการตายของเรามันจะมาใ น, นขนาดไหนถ้าตายพบในขนาดนี้เราไปไม่ดีแน่นอนนี่ทาไมปัสสาวะร้ายตัวเราเองยาด้ว ย, ยนะให้คนหายไหมพิจารณานี้หายไหมไม่หายก็พิจารณาเรื่องใหม่ไม่หายก็พิจารณาเรื่อ ง, มมองมสมมติว่าที่จริงที่จริงเนี่ยมีมีอยู่คนหนึ่งนะเขาเวลาเขาเขาเกิดเขาปุ้งเขาคิดเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องทีไรนี่นะ เขาก็จะมาสวดนานากระดมาเพราะสวดนานากระมาก็มองก็ชี้จี้ไปก็หายเขาบอกทําไมเขาทําไมที่จะต้องพึ่งพึ่งพาด้วยว่าอะไรนี่ยเราคิดเองเขาบอกแก้อยู่สองวันสามวันไม่หายนะก็ว่าแนั้นทําไม่หายเขาเก็บไว้หลายวันเขาเก็บว่าที่มีอยู่วันนึงมีโอกาสสนทนาก็คุยนะคุยไปเสร็จเขากุ้งอยู่เรื่องนึงเขาเขาเขาคิดไม่จบแต่เขายังไม่ถามอาจารย์เราเขาจะต้องคิดแก้นะ ธรรมาโง่มากธรรมะยังไปโง่แค่แล้วใช่ไหมมันแก้ยังไงได้ต้เร็ยบแก้แกไม่ยากแล้วไปทำมันทุกข์ให้มันทรมานอยูท่ทําไมเล่าเขาบอกธรรมาก็ได้บอกคือบอกว่าวาลังสนนานาธรรมาทีแรดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านเหลือเกินด้วยนะดูดูท่านมองแป๊บเดียวมันดูมือนเหมือนเรื่องง่ายก็เลยบอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าธรรมาไปคิดได้จริงๆแลคือคำสอนของพระเจ้าเองคนมันเคยเกิดจนนั่นปัญหาพวกเนี้ย เกิถ้าเรารู้เนี่ยเราว่าเออเอาคำสอนตรงนี้มาแก้ไขอย่างนี้มันทำมันแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองได้ที่ไหนไม่ใช่เพราะว่าคําสอนของพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเรียบเรียงในการที่จะมาใช้อย่างไรกันนั้นเนี่ยอาจารยบอกครับฉะนั้นตรงเนี้ยก่อนที่จะเริ่มกรรมฐานพโยข่าวจรมีความผาสุกอยู่ในวิหารเดียวกับอาจารย์แเราไซเธอก็จําต้องให้อาจารย์บอกวิธีต่างๆโดยพิสดารอย่างนั้นประกอบกรรมฐานนั้นไปได้คุณวิเศษ แห่งภาวนาขั้นที่หนึ่งแล้วก็ขอให้ท่านบอกสูงสูงขึ้นไปตามลําดับเนี่ยนะผู้ปฏิบัตินั้นใครจะไปอยู่ที่อื่นก็ให้อาจารย์บอกโดยพิสดานก็บอกว่าถ้าต้องการที่จ ะ, จะเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้าจะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็บอกไม่ต้องพิสดานมากก็ไดา้แต่ถ้าปรารถนาจะไปอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่ห่างไกลเนี่ยให้เรียนโดยพิสดานคําว่าเรียนในที่นั้นก็แปลภาษาทันยายก็าทรงจําได้โดยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทบทวนบ่อยๆให้คล่องปากขึ้นใจเห็นไหม ว่าหลังจากเรียนศึกษาไปเสร็จแล้วต้องท่องจําได้ขึ้นใจท่องท่องปากแปลว่ากลิ้นเนี่ยนะกระดิกลิ้นเมื่อไรเนี่นะอ้าปากกระดิกลิ้นเมื่อไรนั้นได้ได้อย่างเร็วเลยอย่างรวดเร็วได้เลยทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลม่ะทั้งลงทั้งขึ้นได้หมดเกสาโรมานะคะธนตาตาโจรเนี่ยไล่ไปตามลําดับได้เลยแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงได้ในพิสดารค่องปากขึ้นใจขึ้นใจเป็นนึกนึกออกเลยไม่ต้องท่องได้เลย ที่จริงไม่ใช่ยากอะไรนะสามสองเองเนี่ยอาการสามสองเนีนยเ่ยหนึ่งถึงสามสองเนี่ยมันฮะเพลงยาวกว่านี้ยังร้องได้โยมโ อ, โอ้แค่นี้ต้องเป็นคอโอ้เรื่องง่ายๆที่ว่ายศมาบางคนเพลงโอ้ยบางคนได้จำได้เป็นสิบยี่สิบเพลงบางคนจาได้เป็นร้อยๆเพลงมีนักร้องคนงงหนึ่งเขาบอกก็จำได้สี่รอยกว่าเพลงเขาว่าฟังโอ้ยน่าีใจมาท่องพระไตรปิฎกได้หลายเล่ ม, มเนี่ย ใช่ไหมได้ยังสี่ร้อยห้าร้อยเพลงถ้าก็ท่องว่าใจมีดกก็ได้หลายหลายเล่มเลยเนี่ยใช่มแล้วบางทีคําสอนต้องท้อแต่ว่าเราเพลงที่มีท้อกันาาลแล้วยินดีที่จะร้องจะจํากั น, นเล้เนี่ยเพลงเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากอันนี้แค่สามสิบสองเองแล้วอยู่ในร่างกายเราที่ตั้งนะั้นและเป็นความจําเป็นที่จะต้องจําได้นะ ผมเนี่ยก็ต้องรู้จักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็รู้ขนก็รู้เล็บ ก, ก็รู้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดท้องฟืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองใช่ <c oughs> ไหมไม่ต้องไม่ต้องมีทํานองเอาศรัทธาใส่ไปเถอะแล้วได้เชื่ อ, อใช่ไหม ถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วทําไมจะไม่ได้ไใช่ไหมใช่คือคือถ้าไปใส่ทํานองเนี่ยมันจะเป็นอาหารของโลภะเราก็จะไปท่องแบบจเจริญโลภะเขาใจะยั้ยไม่เหมาะตรงนี้แม่ทํานองพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วเราก็อย่างเนี้จะเป็นอาหารของศรัทธาใช่ไหมท่องโดยศรัทธาพอเราท่องแต่ละคมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เยอะในกระดูก ท่องไปเรานึกถึงไทยใช่ไหมเราบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้าตรัสสูตรเนี้ยไม่มีใครตรัสได้นะในภายหลังละทีใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาท่านก็บอกบอกว่าเมื่อบริกรรมเป็นต้นไปตามลําดับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ละเสนาสนะที่ไม่เหมาะสมแล้วตามลําดับดังที่ได้กล่าวแล้วก็อยู่ในเสนาสนะที่เหมาะสมแล้วก็ตัดปริโภคตเล็กน้อยนะ แล้วก็ตามในที่กล่าวเขาไว้นั่นแหละก็เมื่อได้ทําหรือถือนิมิตในผมทั้งหลายเป็นอันดับแรกก็ถามว่าพึ่งถือเอานิมิตในผมทั้งหลายอย่างไรก็บอกว่าถอนพึ่งถอนผมขึ้นมาหนึ่งหรือสองเส้นวางลงที่ฝ่ามือแล้วกําหนดสีของมันดูผมทั้งหลายแม้ในที่นั้นนั้นเขาตัดผมไว้ก็ควรเช่นถ้าใครตัดผมไว้ก็ามาดูเนาะที่ไปร้านตัดผมขอผมเข้ามาหน่อยทำไมาดูหน่อย จะดูผมทั้งหลายที่ตกอยู่ในน้ําหรือตกอยู่ในยาคูเป็นต้นก็ได้เห็นในการที่สีของมันนั้นดับดําก็พึงมนานัสิการ์ว่าดาเห็นในการที่มันสีขาวก็มนานัสิการว่าขาวแต่เห็นในการที่มันมีสีเจือปนก็พึงมนานัสิการด้วยสีที่หนากว่านั้ก็ในผมทั้งหลายชั้นใดในโกธาสาะสัจปัญจกาทั้งสิน้นก็ฉันั้นให้เห็นแล้วก็ถือเอานิมิตทัานถือเอานิมิตอย่างนี้แล้วก็กําหนดลักษณะโกธาสะ กำหนดสีกําหนดสัญฐานกําหนดทิศกําหนดโอกาสการตัดตอนแล้วก็กําหนดความเป็นปฏิกูลห้าประการโดยสีโดยสัญฐานโดยกลิ่นโดยที่อยู่และที่อาศัยเป็นต้นเหล่านี้นะเกิดขาให้กําหนดอย่างนั้นทีนี้เขาก็ไล่ไปตามลำดับเรื่อตั้งแต่การกําหนดผมเนะกําหนดผมเกสาเนี่ยผมมีอยู่หลายแสนเส้นเนาะผมยังมีอยู่หลายหลายแสนเส้นทีนี้โดยสีปกติแล้วเนะี่ยผมเนี่ยมีสีดํา ใช่ไหมเอาลองพิจารณาดูสักสันฐานหนึ่งนะเอาสีมาพิจผมมาพิจารณาผมนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยประมาณแปดแสนเส้นนะประมาณนั้นนะผมถึงไหมคนคนหนึ่งมีประมาณประมาณแ 0,000 นเข้าลองคํานวณดูแล้วคนที่ผมหนาที่สุดนี่นะคนที่ผมหนาดกที่สุดนี่นะมีประมาณแปดแสนเส้นเขาคํานวณดูแล้วผมมันเกิดจากอะไรอะ่ะผมมันเกิดจากหนึ่งเกิดจากกรรมสอง เกิดจากจิตสามเกิดจากอุตุสี่เกิดจากอาหารนะสี่สมุธฐานนั้นผมที่มันดำ ม, มันขาวเนี่ยบางครั้งกรํารเป็นตัวปัจใจยูตัวเร่งบางครั้งก็จิตคนเครียดมากๆก็ขาวบ่อยขาวเร็วนะเนี่ยคนเครียดบ่อยๆคนโกรธมากๆผมก็ขาวก่อนกาหนดหรือว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าจะไปบางครั้งก็เป็นเป็นปันปใจใ้ผมออกเป็นสีขาวเป็นต้นได้ แล้วก็อุตุอยู่ในบรรยากาศยังไงเป็นต้นด้วยฉะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าผมสีขาวสีเหลืองสีทองสีอะไรเนี่ยทั้งกรรมจิตอุตุอาหารเป็นปัจจัยช่วยเล่งใดทั้งนั้นถามว่าเราต้องรู้ปัจจัยของเขาเป็นต้นด้วยเนาะชีพผมทั้งหลายโดยสีปกติเป็นสีดําดําเหมือนอะไรเหมือนประคําดีควายรูนะ้ไหมประคําดีควายเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะใบคล้ายกับใบทองหลงังดอกก็สีขาวคนเหลืองอนะ่ะ ดอกก็เป็นช่อผลก็กลมเท่ากับดอกพุทราสีน้ําตาลแก่ผลก็ผลมันก็จะเหี่ยวต้มแล้วก็เป็นฟองก็ซักผ้าแทนสบู่ได้พวกประคําดีควายเนี่ยนะโดยสันฐานยาวกลมเหมือนคันตาช่างสันฐานของผมนี่นะยาวกลมเหมือนเหมือนคันตาช่างโดยทิศผมเกิดอยู่ในทิศไหนผมเกิดอยู่ในทิศไหนอยู่ในทิศเบื้องบนของร่างกายนะอยู่ทิศเบื้องบนคือเขาวัดอย่างนี้ว่า ร่างกายจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนเบื้องบนตั้งแต่สะดือขึ้นไปเป็นทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็ตั้งแต่ต่ำจากสะดือลงมานี่นะเป็นทิศเบื้องต่ำํำฉะนั้นผมจะถามว่าเกิดอยู่ในทิศไหนต้องบอกอยู่ทิศเบื้องบนประการต่อมาโดยโดยโอกาสโอกาสเนี่ยด้านข้างทั้งสองกำหนดโดยจรหูด้านหน้าก็กำหนดโดยด้านหน้าผากด้านหลังก็กําหนดต้นคอเนี่ยส่วน หนังส่วนที่หุ้มกระโลกศรีรษะเป็นที่ตั้งของผมมองเห็างนี้ไเข้าใจไหมสรุปก็คือว่าด้านข้างทั้งสองกำหนดจอหูเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยด้านหน้ากําหนดก็หน้าผาด้านหลังลก็กําหนดคอเนี่ยแหละต้นคอเนี่ยแหลแล้วก็หนังส่วนที่หุ้มกระโลกศรีรษะนั่นเป็นที่ตั้งของผมนั่นเขาเรียกโอกาสโดยที่ตัง้งผมนั่นตั้งอยู่บนเนี่ยบนกระโลกศรีรษะนี่แหละเด็กๆชอบนั่งเรื่องอะไรในตัว เคคิดทำไว้ทไแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้คนามันก็ไปแล้วนแล้วมันไม่ขึตั้งไปถ้าขึ้ตงเราคงท่ไม่ได้อะไรอย่องย่างมาเนียนอพ่าเรียนไหเรมู้สึกพอเรียนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะเนีพระพุทธเจ้าละเอียดนะละเอียดสอนให้กำหนดผมอ่ะก็เออมันตั้งมันขึ้นแบบนี้เดี๋ยวท่านเดี๋ยวไปเรียนธาตุนี่นะ ท่านเวิจัยลงในสี่สมุธฐานเนี่ยี่กิดจากรรมก็จะจิตเกิดจากอุตูเกิดจากอาหารผมเกิดตีรูปเอามาวิจัยยังไงไข่ควรยังไงพิจารณายัางไงจะได้จะได้เห็นปัจจัยของผมตัวนี้ไม่ได้ไดโดยปริเฉดเขาเรียกด้านล่างนี่นะกำหนดด้วยรากผมในหนังศรีรษะเท่ากับปลายเมล็ดข้าเปลือกโดยปริเฉดนี่นะด้านบนก็กําหนดด้วยที่ว่างสุดปลายเส้นผมนี่คือด้านล่างนี่เขาปักเข้าไปเนะี่ยปากเข้าไปเนะี่ย เท่กับปลายเล็กข้าเปลือกถ้าปากเข้าไปนังศิษยศัโดยรอดกำหนดด้วยเส้นผมด้วยกันนี่ก็เรียกโดยปริเฉิเนี่ยก็คือว่าข้างล่างตัดตอนด้วยพื้นลากของโซนของโซนอันอย่างลงไปหนังหุ้มกะโหลกศีรษะนะประมาณเท่ากับปลายมาเมล็ดเข้าเปลือกตั้งอยู่ข้างบนก็ตัดตอนด้วยอากาศข้างข้างคือด้านข้า ง, า ง, างตัดตอนด้วยเส้นผมด้วยกันการกําหนดโดยในว่าผมมีสองเส้นผมสองเส้นไม่รวมอยู่ในเส้นเดียวกันนี้เป็น ส, สภาวะปริเฉิะตัดตอนด้วย ส่วนที่เหมือนกันของตนโดยกําหนดชื่อว่าผมทั้งหลายนั้นธรรมดาเนี่ยสร้างมาก็คือว่ามิให้ป่าพล ก, กันกับโอกาสที่เหลืออีกสธธามสิบเอ็ดกฎทาจะคือผมก็ไม่ใช่ขนนะการกําหนดผมจะละเส้นว่าเป็นผมเหมือนกันเรียกว่าสภาค้าบริเฉศส่วนการก็ว่าผมไม่ใช่อาการสามสิบเอ็ดที่เหลืออาการสามเอ็ดที่เหลือก็ไม่ใช่ผมเรียกว่าวิสภาค้าบริเฉศผมก็ไม่ใช่ขนไหมผมไม่ใช่เล็บข ผ, ผมก็ไม่ใช่ฟันผมก็ไม่ใช่หนัง ผมก็ไม่ใช่เนื้อผมก็ไม่ใช่เอ็นผมก็ไม่ใช่กระดูกไล่ไปตามดำนะนั่นในสามสิบเอ็ดที่เหลือไม่ใช่ผมผมกับสามสิบเอ็ดโกฏาสาส์ที่เหลือก็คนละส่วนกันนะี่ย้อนสมายนะก็ะใครควรอย่างนี้เริ่มพิจารณานี้เริ่มจะรู้แล้วโอ้โดยสีเป็นอย่างนี้นะปกติผมเนี่ยสีดำนะเพราะงั้นเหมือนเรลูกประคำดีควายโดยสันฐานยาวกลมเหมือนตาขั่นช่างโดยทิศก็คือตั้งอยู่ทิศเบื้องบน โดยโอกาสก็คือด้านข้างทั้งสองก็กําหนดในจอนหูด้านหน้าก็กําหนดในหน้าผากด้านหลังกําหนดที่ต้นคอแล้วก็ส่วนที่คุมกระโหลกศีรษะก็เป็นที่ตั้งของผมทั้งหมดว่างั้นนั่นก็เรียกว่าโดยโดยโอกาสโดยปริเฉทะก็คือว่า ด้านล่างก็กําหนดด้วยรากผมในหนังศีรษะเท่ากับปลายเมเล็ดข้าวเปลือกด้านบนก็เอาอากาศนั่นแหละวางเปล่านั่นแหละเส้นผมเดอรอบก็บกําหนดโดยเส้นผมด้วยกันเนี่ยรวมรวมรว ม, รวมกันอยู่นี่แหละแล้วการกําหนดแต่ละเส้นว่าผมเหมือนกันเรียกว่าสภาค่าปิเสตเส้นผมเหมือนกันเป็นสภาค่ากันเหมือนกัน ส่วนกําหนดวิสภาคะที่ไม่เหมือนกับผมก็คือโกดธาศาตร์ที่เหลือไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ฟันไม่ใช่หนังไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เอ็ไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เยื่อในกระดูกไม่ใช่ไตไม่ใช่ตับไม่ใช่ฟังผืนไม่ใช่ไส้ใหญ่ไส้น้อยไม่ใช่อาหารเก่าไม่ใช่อาหารใหมยไม่ใช่มันสมองไม่ใช่ดีสเลตหนองเลือดเหงื่อนะผมก็คือผมนี่แหละแต่อยู่ในส่วนข่าอาการ 3.2 นั่นแหละอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านกําหนดโดยสีโดยสันฐานโดยคิดโดยโอกาสในยปริเขตโดยสภาคะแล้วก็วิสภาคะโดยอาการอย่างนี้ ก็ไข้ครวรเป็นต้นไปตามลำดับเนี่ยน่าบรลุไหมไม่ต้องไปกําหนดเราเดี๋ยวก็หลุดหมดอยอมไหมไม่เห็นต้องไปทุกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก็หลุดใช่ไหมมันมีเหตุมีปัจจัยก็อยู่หมดเหตุหมดปัจจัยก็หลุดหมดหรือมีผมมันทุกข์ใช่ไหมถ้ามีทุกข์ปัจจุบันบอกนีมีผมทุกข์เพราะผมใช่ไหยแล้วมีขนก็ไปทุกข์เพราะขนนี่มีแลบอีกแรกนี้ มีฟันมีหนังมีเนี่นั่นเราไม่ได้ไปทําปริญญาในผมขนและฟันหนังใช่ไหมมันไปเห็นอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเป็นทุกข์ไปที่อย่างเป็นสุขไปที่ใกลคุณไม่ต้องรอแค่ไฟไหม้แล้ววิ่งไปเดี๋ยวนี้มันก็ไหม้ผมก่อนไม่ต้องไปแทนหยกหรอกของมันไหม้ง่ายอ่าพักกันก่อนเนาะ